อาจารย์ครับเกาลธรรมสการ์ครับผมเาจารย์กรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่83ครับวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องบัญชีบุญบัญชีบาปครับอาจารย์คือพอดีไปได้ยินพอาจารย์พูดเรื่องนี้มาตอนเรื่องจิตสุดท้ายหลายโหดแล้วก็ผมก็เลยไป น, นึกถึงตอนเด็กๆครับอาจารย์ คุณย่าผมเองเป็นคนสอนเรื่องนี้มาตลอดเลยแล้วก็แล้วก็บอกให้บอกว่าเนี่ยถ้าผมทําดีเนี่ยเขาจะจดในบัญชีทองคําถ้าทําไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะไปจดในบัญชีหนังหมาตอนนั้นเด็กๆผมก็กลัวมากเลยครับอาจารย์ว่าเออเราจะทําไม่ดีก็เลยเลยทําให้ทําบาปได้น้อยลงน่าจะเป็นกุศโลบายแล้วก็มาได้ยินพระอาจารย์พูดเรื่องบัญชีบุญบัญชีบาปวันนี้ก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับก็คือใจนี่แหละ ใจเป็นเหมือนที่ฝากเป็นเหมือนธนาคารธนาคารนี้เขาก็มีธุรกิจอยู่ธุรกรสองันเงินฝากกับเงินกู้ใช่หไหมครับใจก็เหมือนกันใจก็เป็นที่ทำธุรกรรมหรือเป็นที่บันทึกบัญชีเงินฝากบัญชีเงินกู้ของของใจเอง ทุกครังที่ใจทําบุญก็มันก็เอาเอาเงินไปฝากในบัญชีเงินฝากตัวกครั้งที่ใจทําบาปก็เหมือนกลับไปกู้จากบัญชีเงินกู้คนละบัญชีกันมันไม่ลบล้างกันอเคยสมมติว่าเราทาบาสมันก็ยอดเงินยอดเงินกู้ก็เพิ่มมากขึ้นเหมือขึ้นว่าทุกครั้งที่เราทําบาปก็เหมือนเรากู้เงินเป็นเรี่มากขึ้นแล้ว เวลาจะปิดบัญชีเขาก็เอาสองบัญชีนี้มามาตรวจสอบ oh. ส ม, มันสมมอเวลาคุณหมออยากจะขอข อ, ขอเปลี่ยนธนาคารหรือไม่อยากจะปากที่นี่แล้วก็ oh. ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเงินกู้เงินฝากว่าคุณหมออติดลบก็ติดบวกใช่หไหมถ้าถ้าทัา้าเงินกู้มากกว่เงินฝากเขาบอกขอจะปิดคุณก็ต้องเอาเอาเงินที่คุณกู้นี่มามากบให้หมดให้มันเท่ากันใชหม เพีจะปิดบัญชีอันนี้ก็แบบเดียวกันใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับธนาคารบุญธนาคารบาปเป็นที่เก็บทั้งทั้งบุญเก็บทั้งบาปที่เราได้สะสมกันทําในแต่ละวันนี้คำที่มันมีสาบัญชีบัญชีบัญชีมันเรียกบัญชีกลางกลางมันไม่ค่อยมีผลก็เลยไม่ได้พูดถึงการกระทาที่ไม่ใช่เป็นบุญแล้วเป็นบาปเช่นการกระทำที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเราเองอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟัน ทำมาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงชีพเหล่านี้มันไม่ถือว่าเป็นบุญแลือเป็นบาปบุญนี่เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าบุญบาปก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดโทษกับผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาปแต่การกระทําที่ไม่เกิดโทษหรือเกิดคุณกับผู้อื่นเราก็เรียกว่าเป็นการกระทําแบบางกลางที่เราทําำันทุกวันเป็นประจา คือทํอาหากินเลี้ยงปากเลีง้งเท่าเหล่านี้โดยที่เราไม่ได้ทําผิดผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมันก็ถือว่าไม่เป็นการกระทําบาปแต่ก็ไม่ได้เป็นการกระทําบุญเพราะบุญที่จะต้องเกิดจากการกระทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้มันก็มีนความจริงมีสาบัญชีแต่บัญชีอันที่สามนี้มันไม่มีผลกระทบต่อสภาพของจิตใจไม่ได้ทำให้จิตใจทุกข์ไม่ได้ทำให้จิตใจสุขแต่อย่างไรเพราะเป็นการเลี้ยงดูร่างกาย แลากายนี่ก็คือเรื่องของของบัญชีบุญและบาปที่เวลาที่ร่างกายตายไปก็เป็นช่วงที่เขาจะมาปิดบัญชีค่ <Okay. S 1> ะอันนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้ที่ว่าจบสิ้นแล้วว่าสิ้นการทําบุญทําบาปแล้วสำหรับร่างกายอันนี้ <Okay. S 1> ก็ต้องมีการมามาเช็คบัญชีดีว่า mm hmm. บุรกรบแล้วอะไรจะมีมากกว่ากัน ถ้าบวกลบแล้วติดลบเช่นบัญชีบาบมากทำบาบมากกทําทบุญนะบาบนี้ก็จะมีพลังกําลังที่จะจุดดึงจิตให้ไปรับผลของบาบ ก, ก่อนะถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาบบุญก็จะเป็นผู้ที่จะดึงจิตให้ไปรับผลบุญไปสู่สังเกติอันนี้เรามาแต่งบัญชีกันตอนปิดตอนปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ยากอาจจะเป็นได้ในบางกรณีเช่นพ่อพระเจ้าเนี่เจ็ดวันก่อนตายพระเจ้ามาสอนให้ให้ปิดมันให้มาแก้บัญชีบาปให้มาเติมบัญชีบุญให้มันรูปเป็นท้าอาหาถ้าอย่างนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเราต้องมีคนมาคอยสอนคอยบอกวิธีแต่ถ้าไม่มีการมาสอนมาบอกนี่มันทําอะไรไม่เป็นเพราะมันทําตามนิสัยนิสัยเคยทำอะไรมันก็ยับตินดนิสัยไป ทำอย่างนั้นไปยนันจิตสุดท้ายก็เป็นช่วงเวลาที่เขาปิดบัญชีธนาคารบุญธนาคารบาศเนี่ย บ, บ, บัญชีบุญบัญชีบาถ้าบาศมีกำลังมากกว่าก็ทุคติเ็าไปที่ไปของโยมิญญาณอยัน้นถ้าบุญมีมากกว่าบาทก็จะไปสุคติไปสวรรค์ชั้นตา่างๆขึ้นอยู่กับบุญชนิดไหนบุญที่กิดจากการทำทานก็ไปสวรรค์ชั้นเทพ บุญที่เกิดจากการทำสมาธิได้เข้าฌานได้สุภาพสงบเนี่ก็ไปสู่ขั้นขั้นพรมสวรรค์ขั้นพร ม, พรมถ้าบุญที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาละสามโยได้ก็ไประดับของพระอริยบุคคลไปรดีถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็ถือว่าก็บัญชีบุญนี้มากกว่าบัญชีบาปหลายเท่านะต่อให้ทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ไปอบายนะ เพราะบัญีบุญของพระริยะเนี่มีพลังมากพระริยะเนี่ปิดทุกทุกทุกรูปนี่ทุกระดับปิดปิดประตูบายได้หมดเพราะพลังของบุญของการเป็นพระริยะนี่มันสูงมันมากกว่าบาตที่ได้เคยมาทําไว้ถึงนั้นจะเป็นอนันติเรียกับในอดีตเขตามแต่พอได้เป็นพระโสดาบันนี้บุญของพระโสดาบันนี้จะกลบจะไม่ได้ลมล้างเองแต่ว่าจะ มีกำลังมากกว่าบาบุญบัญชีบาบาไม่สามารถที่จะดึงให้ไปเกิดในาบายได้ต่อไปอันนก็สร้างบุญสร้างมาามีสามวิธีสร้างบุญด้วยการทําทานสร้างบุญด้วยการนำสมาธิเจริญสติเข้าชานขั้นที่สามก็สร้างบุญด้วยการจเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นไตรลักษ ละสังโยชน์พิจารณากายเวทนาจิตว่าเป็นตจละอันนีจ้จะทุกข์กรรมนาาก็จะละสังโยชน์ได้สิบเลยถ้าละปล่อยวางกายเวทนาจิตได้ก็จะไปนิพพานเมื่อไปนิพพานก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปบาทียังตกค้างอยู่ในใจก็ไม่สามารถแสดงผลได้อีกต่อไป บาปจะแสดงผลได้ก็ตามว่ามาเกิดในตายพวกเนี่ยรับอาจารย์ครับแล้วแลวบาปเขาจะดึงเราไปที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็มีอยู่สีที่ไงถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมว่าทาบาปเพราะคิดว่าเป็นการป้องกันตัวเองหรือรักษาชีวิตของตนเองก็ถือว่าเป็นทำก็แย่ในบอย่าง สัตว์เลี้ยงชานสัตว์เดี้ยงชานเขก็ดำรงชีพของเขาด้วยการฆ่าผู้กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือป้องกันไว้ภัยเวลามีสัตว์อื่นจะมาทำร้ายเขาก็ต้องต่อสู้กันฆ่ากันอันนี้เนึกว่าทำด้วยด้วยสัญชาตญาณก็แล้วกันทำด้วยความหลงเช่นมนุษย์เราก็ทำมาอาชีพเป็นชาวประมงเนี้ยสมมุติเนี่ย ก็อันนี้ก็เป็นการเล่งชีพแล้วก็คิดว่ามันไม่ผิดกฎหมายทางโลกเขาไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดแต่ทางธรนี่ถือว่าผิดเพราะทําทําให้จิตเป็นเยี่ยงอย่างเดลฉานไม่ได้เป็นมนุษย์มนุษย์นี้มีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าการเบีดเบีนผู้่นนี่ไม่ดีการฆ่าพู้่นนี่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสาเหตุกายได้เพราะมันมนุษย์คิดย้อนกลับมาได้ว่าถ้าเข้ามาทําราบว่าเราจะรู้สึก ถ้าคนอื่นเข้ามาฆ่าเราไปเป็นอาหารนี่เราจะพอใจไหจะให้พวกขาด่าอันนี้ตอนนี้มีสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเพรามีซามันสำเน็ตที่ที่สูงกว่าที่สามารถคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราได้แสัตว์เดรัจฉานนี่เขาคิดแต่หักเขาเพียงอย่างเดียวเข้าตัวรอดองเขาเป็นอย่างเดีวออยวเขาก็เลยทําบาปทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้กดแห่งกรรมเนี่ยแล้วนกะ็ เรียกว่าไปเป็นเดลราชเราทาบาปด้วยความโลภพอมีพอกินอยู่แล้วไม่ต้องทําบาปก็อยู่ได้แต่โลภอยากรวยอยากอะไรก็ไปทําบาปด้วยวิธีเช่าโกงมากหรือ ไ, ไปทําอาชีพเเสริมอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็เพื่อความโลภถ้าทำด้วยเพื่อความโลภควที่ไม่ต้องทําก็อยู่ได้ แต่อยากจะรวยอยากจะมีเงินซื้อทาาซื้อของอะไรพิเศษต่างๆซื้อของฟู่เฟยแบบไปเที่ยวไปกินไปเดิมอะไรนี่ถ้าทำด้วยความโลือก็จะเป็นเปรดยงวิญญาณนี้ก็จะมีแต่ความหิวโหยเพราะความโลือกหรือความอยากนี้มันไม่มีประมาณ่ะโลกท่าหยได้ถลายก็ไม่อิ่มไม่พอหิวอยู่เรื่อยๆดวงวิญญาณที่ตายไปทีนี้เวลาเป็นมนุษย์มันยังตอบสนองความโลกได้เป็นพักๆใช่ไหม อยากก็ได้อะไรก็ไปกินไปซื้อมามดื่มได้มาทำได้แต่พอไปเป็นดวงวิญญาณไม่มีอะไรให้ทำพอโลคมันก็อหิวโหยตลอดเวลาอย่างน้อตอนที่เป็นมนุษย์เป็นยังะงับความหิวโหยด้วยการไปทำํำตามความโลดได้ระงับเป็นพักๆแต่มันก็ไม่หมดได้เท่าไหร่ก็ไม่อีกไม่พอดวงวิญญาณที่ทําบาปด้วยความโลดเนี่ยก็จะไปเป็น เปรตเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวหยพวกนี้ไม่มีร่างกายเหมือนเดรัจฉานเป็นดวงวิญญาณถ้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนตอนนอนหลับแล้วก็ฝันไปว่าฝันว่าไปอยู่ที่อดอยากขาดแคนลนลําบากระมวไม่มี น, นั่นกินหิวนู่นหิวนี่อะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคล้ายลักษณะของเปรตถ้าทุกด้วยความหิวเนี่ยไปก็จะเป็นเปรตแล้วพวกที่สามทำบาปด้วยความกลัว กลเขาจะมาทําร้ายเราเราก็เลยทําร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาปตัวตอนนี้ก็าสูญร่างกายพที่สี่พวกที่ฆ่าทำบาปด้วยความโกรธเกยียดอาฆาตพยาบามฟันต่อฟันตาต่อตานี่พวกนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยไฟนะเราร้อนด้วยความโกรธฟ้องร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาม สังเกตให้เวลาเรากรธใเกลีดใคอยากจะแก้แค้นนี่บางดีเกลียไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็ลักษณะของโดววิญญาณของผู้ที่ทําบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยายามบาปต้องทําบาปในกทุกรณีนี้ถ้าไม่ทําบาปก็ยังไม่ไปนะแต่เมื่อเราโกรธเกลียดใครแต่เราระงับได้ว่าไม่ทําบาปดีกว่าไม่ไม่ทําอาจจะทําอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปถ้าไม่เป็นบาปก็ไม่เป็นไร อาจจะเจราจากันพูดกันว่าทํำไงดีคนทํายี้เสียหายกับเราคนช่วยช่วยให้เราได้หรือเปล่าพูดด้วยสันติวิธีแก้แค้นด้วยสันติวิธีถ้าเขายอมรับก็โอเคถ้าเขาไม่ยอมรับก็ทำอะไรเขาไม่ไดถ้ถ้าไม่อยากจะไปทะเลาก็ต้องให้อภัยแผ่เมตตาแทนอผมอย่ามีเวรมีกรรมกันสเปสัตาเวลาฝนตก อย่างการแผ่เมตตานี่เป็นการป้องกันจิตไม่ให้ไปตกนรกถ้าเราแผ่เมตตาได้เรื่องก็จบใช่ไหมใช่ครับเขาเผาบ้านเราแต่เราไม่ไปเผาบ้านเขาคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุไปเหมือนสมัยที่ประเทศเรามีกรณีกับกับประเทศเกัมพูชาเรื่องเผาสถานทูตทราบจำได้ น, นะอลาปีมานะครับคนเขเมรเข้าไปประท้วง ที่สถานทูตไทยแล้วก็ไปเผาสถานทูตไทยในกัมพูชาคนไทยเราก็เลยอยากอยาก่าแก้แคบก็จะไปเผาสถานทูตของกัมพูชาในประเทศไทยในหลวงร้องก้าวซาบก็เลยออกมายับยับ้งบอกว่าสิ่งที่เขาทาเขาผิดเขาไม่ดีแต่ถ้าเราไปทําแบบเขาเร า, เราก็เราก็เลวเท่าเขาก็เลยอยากไปทำเพราะการาคาดพยาบาม เราทำเชั่อแล้วเราไปทำเชั่วเท่ากับเขาแล้เราจะไปดีกว่าเขาได้ไงครับผมเราดีกว่าเขาเพราะเราไม่ทำเชื่อแบบเขาเราให้อภัยเราสูงกว่เขาเราเป็นจิตที่สูงกว่เขาเรามีความเมตตาเราก็ยังไม่เป็นสัตว์แล้วเราก็ยังรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้อยู่ตอนน่อไปดดีมากเลยครับอาจารย์อย่างนี้คําโบราณก็ก็มีประโยชน์นะคะรับอาจารย์อย่างน้อยตอน ตอนเด็กๆผมก็ไม่กล้าทําไม่ดีเลยครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจข้าเดียวกันนี้นะมันไม่ได้เป็นศาลที่ที่เราคิดว่าโต้องไปแล้วต้องเดินทางไปถึงสวรรค์ถึงนรกแล้วมีมียมมาบานมีอะไรมาคอยเทวดาอะไรมาคอยตรวจบัญชีก่อนอะไรไม่ใช่ยังงั้นอันนั้นเป็นเพียงแต่ภาพที่เขาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นโนภาพแต่และความเป็นจริงคืออยู่ในในจิตใจของเราเนี่นะ ถ้าใจเราทําบนใจเราก็เย็นความเย็นของใจก็มีหลายระดับเขาเลยก็ระดับเทพระดับพรหมระดับอารยบุคคลความร้อนก็มีหลายระดับร้อนระดับเดรัจฉานร้อนระดับเปรตร้อนระดับมัศแลกายร้อนระดับธรรมันก็ไม่เท่ากันอันนี้ดีใจที่ได้เอาเรื่องบัญชีทองคํากับบัญชีหนังหมามาในายการคับอาจารย์อย่างัน <laughs> <laughs> ผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนบ้างนะครับจากคุณปิอารัตครับการนักมรสการพระอาจารย์ค่ะจะทราบได้อย่างไรว่าโดนกิเลสในสมาธิหลอกให้หลงว่าเป็นสัมมาสมาธิแล้วจะแก้ความอยากรู้อยากเห็นในสมาธิได้อย่างไรหรือคะก็เราต้องศึกษาว่สมาสมาสมาธิเป็นอย่างไรก็มีไปดูนะเขาเรียกอินในฌานสี่เนี่ยเนี่ยเขาแบจิตสงบแนง เหลือสัตว์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขมีอารมณ์เดียวไอ้คักคตาอารมณ์คือสัตว์แต่ว่ารู้ความคิดปูกแต่งหายไปหมดมันมีมันมีคุณลักษณะของฌานให้เราไปศึกษาได้ฌานที่หนึ่งมีคุณลักษณะอย่างมีวิตต์มีวิจารมีปิติมีสุขแล้วก็เข้าไปขั้นที่สองก็มีอะไรเพิ่มมีอะไรหายไปก็เป็นไปตามขั้น พอถึงขั้นที่สี่มันก็จะได้บุเวณขาเป็นหลักได้คัก ข, ขตาลมอารมณ์เดียวคือสั์แต่ว่ารอรมณอารมณ์ปความคิดปูแตกที่เป็นคู่มันหายไปหรืออารมณ์เดียวในการปฏิบัติจริงๆอย่ายไปไล่ดูนะว่าตอนนี้จิตเราอยู่ตรงไหนนะเวลาปฏิบัติสมาธิให้มีสติอยู่กับการภาวนาอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับ อ, อยู่กับลมหายใจก็ อย่าไปคอยาดูว่าตอนนี้จิตเราไม่ปิติจะยังไมีสุขหรือยังไม่ทํานี้มันไม่มีมันไม่เกิด น, นะที่มันเกิดเพราะว่าเราจ่ออยู่ที่พุทโธอย่างเดียวแล้วจ่ออยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเวลามันเกิดก็รับรู้แล้วก็จ่ออยู่ที่ลมหายใจต่อไปอยังไปสนใจอยากจะมาวิเคราะห์ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์ได้แต่ตอนที่ทําสมาธินี้ห้ามวิเคราะห์ห้ามคิดนะให้พุทโธไปดูลงไป ไม่งั้นมันจะไม่ไปมันจะไม่ก้าวหน้ามันจะไปติดอยู่ตรงวิเคราะห์นั่งวิเคราะห์ไปแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ก้าวไปต่อไปได้ดังนเวลาทําจริงๆอย่ามานั่งวิเคราะห์ว่าตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วการก้าวชั้นทีมันก็ไม่ได้เข้าแบบเป็นหนึ่งสองสามไปทีละขั้นทีละทั่วพลาดข้ามไปจากหนึ่งวงสี่เลยก็มีเช่นตงอุ้มตกบอเนี่ยแบบพุทธพุทธรไปอยู่ดีกับรุดลงไปสงบนิ่งเลยก็มี บันทีก็ลองไปขั้นๆเรานี้งั้นอย่าไปอย่าไปคาดกาเล์อยา่ า, ยยาไปเอาปริยัติที่เราเรียนนี่มามากํากับการภาวนามันจะทําทให้การภาวนาไม่เกิดผลขึ้นมาการภาวนานี้ยเขใช้สติกํากับให้ใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแต่เวลาเสร็จจากการภาวนาออกมานะเราก็มาวิเคราะห์ได้ว่าเมีนี้เราอยู่เราได้ไงบ้างได้เปรตได้ศพหรือปเปล่าหรือ ไดอุเบกขาตอนนั้นจะวิเคราะห์ก็ได้เพราะนั้นกิเลเหา อ, อกเราไม่ได้หรอกเรื่องอาไเรื่องราวคุเปียรัฐครับถ้าแม่ไม่เห็นด้วยกับการไปทำบุญที่วัดกับเพื่อนเพราะกลัวเราหลงผิดกลัวโดนหลอกจะอธิบายให้แม่เข้าใจอย่างไรคะก็พาแม่ไปด้วยกันแม่ <c oughs> <c oughs> ดีที่สุด อธิบายไงก็คงไม่เข้าใจแม่ไปด้วยกันไหมชวนแม่ไปเลยได้อุบายพาแม่เข้าวัดด้วยครับคุณสมพรมครับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเขาจะต้องมีกฎแห่งกรรมหรือไม่คะคนแห่งกรรมนี่ ม, มันเีนก็กฎของวิทยาศาสตร์เช่นรายหนึ่งดุทั้งเรานี่มันเลือกไม่ว่าจะดูดคนที่เป็ น, านาศาสนาคนที่เรียนแต่ฟิสิกส์อย่างเดียวคนที่ไม่เรียนฟิสิกส์เขาจะลางหนึงดุจของเราจะไม่ดูดหรือเปล่า ไม่เกี่ยวใช่ไหมกดของฟิสิกส์ที่มันมันคุมทุกร่างกายทุกสิ่งของในในโลกนี้เขาอนุญางในโลกนี้มันที่อยู่บนผิวโลกนี้ไม่รอยขึ้นในอากาศก็เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกดึมว้นั่นเองกดแห่งกรรมก็เหมือนกันเป็นกดกดแห่งกรรมนี้มันก็เป็นผู้กํากับเรื่องความสุกขทุกของจิตของดวงจิตดวงใจทุกดวงไม่ว่าดวงจิตดวงใจนั้นจะจะนับถือศาสนาได้จะรู้หรือไม่รู้จะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนา ไม่ไม่เกี่ยวถ้ามีจิตใจแล้วมีการกระทําบุญก็ทำบาปมันมเกิดผลกับจิตใจดูงั้นทุกทันทีทุกล้วนคุณมารินครับจริงหมาว่าหมาตัวเมียทํามันได้ไม่บาปแต่ตัวผู้จะบาปเพราะไปตัดอวัยวะมันออกครับอาจารย์ไม่บาปหรอว่ามันก็มันก็ยังดํำรงชีวิตได้อยู่เป็นปกติไม่ใช่นะมันตัดบางอันธะเท่านั้นใช่ไหม มันก็ยังมันก็ยังทําอะไรของมันได้ตามปกติอย่ังมีเพศสัมพันธ์อะไรได้ทําอะไรได้มาตามกติไม่บาปหรอกคุณหลินครับหากเกิดมาชาตินี้เมื่อในปัจจุบันตั้งใจถือศีลปฏิบัติ ด, ดีแล้วจําเป็นต้องขอขอมาใหม่เจ้าคะหากตัวหนูเองเจ็บป่วยหลายโรคที่เคยทําบาปมาในอดีตครับการขอขอมานี่ต้องมีคนที่เราไปร่วมเกิน ถ้าเราอยากจะอให้ยกอย่ามิเวรมีกรรมกันแล้วก็ไปขอขมาของเขาแต่เขาจะให้ให้อาภัยหรือไม่นั่นก็เรื่องของเขาแต่อย่างนั้นเราก็เราก็เป็นส่วนเราสแสดงเกียรติจำนองของเราว่าเราไม่ต้องการมีเวรมีกรรมของคุณแล้วราขอขมาแต่ถ้าคุณไม่ไม่ให้อาภายัยคุณจะจําเวรจังกรรมก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะไม่ตอบโต้ความหมายเป็นอย่างนี้ เ้าก็จะมาทําร้ายเราเราก็จะไม่ตอบโต้รับถ้าเราขอเขาขอเขามาเขาจริงๆเรายอมรับผลของกรรมที่เราทำกับเขาถ้าเขาคิดว่าเขาวิธีที่จะทํทาทให้เขาหายโกรธหายเกลียดหายจอมเวงก็ต้องทําร้ายเรานี่เราไมยินยอมที่ให้เขาทำร้ายเหมือนพระพระมงกลานะท่านก็ยอมยอมตายท่านเป็นพระอาหารหันท่านมี มีอภิญญาสามารถน้องผลตัวหอเหาเฮิร์นดลกาดได้ท่าก็บอกท่านไม่หนี้เนื่องกรรมนี่หนีไม่ได้หนีวันนี้พวกนี้มันก็ตามมาใหม่จนกว่ากรรมนั้นมันจะได้รับการชดใช้ไปเท่านัน้นถึงสิ้นสุดท่านก็เลยอยอมตายยอมให้รอดข้าตายเนี่าา ย, ยเป็นการขอขอมาของท่านตอบบุคคลนั้นแล้วเรายอมนะเรายอมหยุดเย็นถ้าคุณญาญ่าทำอะไรเราก็เชิญทำไป แต่เราจะไม่ตอบโต้เราหยุดเราหยุดเราหยุดแล้วเราหยุดต่อสู้หยุดจองเวเรเจองกรรมนี่คือความหมายของการข อ, อกรมาการข อ, อกรมาไม่ใช่มาข อ, อาเป็นลบล้างบาปกรรมที่เราทำมาในอดีตแล้วทําให้ไม่มีส่งผลต่อเราในปัจจุบัน ม, มันไม่ใช่มันไปไม่ได้ทํากรรมมันไดไว้ก็ต้องไปทูลรับผลของกรรมนั้นไม่ใช่ก็เร็วไม่พบนี้ไรพบหน้า ยกเว้นทําให้มันเกิดเท่านั้นการใช้กรรมก็จะบอกไปบุญซุขครับจิตสุดท้ายเหมือนม้าปากอคอกหรืออาจินตกรรมส่งผลไปเกิดกรรมตัวไหนมีแรงมากกว่าครับก็นั่นแหละกรรมตัวไหนทําไมก็มีสองตัวบุญกับบาปตัวที่มีแรงมากกว่ามันก็อยู่ปากคอกนะใช่ไหมใช่ครับ คุณมาริษาครับขอเรียนถามพระอาจารย์เรื่องกตันยูรู้คุณค่ะตอนนี้ที่ไต้หวันเลิกเรียนวิชาจริยธรรมมานานมากแล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวเรื่องลูกฆ่าพ่ออีกแล้วดูแล้วหดหู่ใจมากมีข่าวแบบนี้เป็นระยะระยะคุณปู่คุณย่าบางคนก็สอนบุตรหลานตัวเองไม่ให้กระตันยูรู้คุณคนด้วยค่ะอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ขอความเมตตาค่ะมันก็เป็นอิทธิพลของโมหะวิชาครอบ ง, งาจิตใจ ที่หวังคิดถึงผลประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียวอยากจะได้แต่ไม่อยากจะเสียนี่คือเป็นลักษณะของของอวิชชาของอัตตาตัวตนอยากจะยังประโยชน์ใส่ตนแต่ไม่อยากจะเสียประโยชน์ให้กับใครเท่านั้นเองจึงจําเป็นจะต้องมีการศึกษามีการสั่งสอนว่าการทําประโยชน์ให้กับตนนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะทําให้ตนเองมีความสุขและจะนําไปสู่การกระทําที่ ที่เสียหายต่อไปได้แตถ้าเรามีความคิดถึงคนของความสุขของผู้อื่นนะคิดถึงการเสียสละแบ่งปันคิดถึงการตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ก็มีพระบุญกับเราเนีย่ยมันก็จะทําให้เรามีมีสติที่จะยับยั้งการกระทําที่ไม่ไม่ควรจะกระทําต่อบคุคคลต่างๆเนี่ยธรรมะมีไว้สอนให้คนเรารู้จักประพฤติต่อกันอย่างอย่าง อย่างสันติอยู่ด้วยกันอย่างสันติและอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะต่างคนต่างให้กันคุณหมอก็ให้เราเราก็ให้คุณหมอเนี่ยดีใจไหมทุกคนก็ดีใจคุณหมอทำกับข้าวมาให้เราหม้อหนึ่งเราเอาม้อเอาหมอ้ อ, หมอที่หมอใส่อ ข, ข้าวขึ้นไปแล้วก็หาของหวานเรื่องมีขนมมาใส่ขึ้นไปเป็นการตอบแทนกันให้กันและกันก็คนที่ให้เขาก็ไม่ได้อยากได้ผลตอบแทนอะไรจากเราแร้ว แต่การให้เรามันก็แสดงน้ำใจของเราให้กับเขาเขาเขาไม่ได้ยินดีกับของที่เราให้หรอกเขายินดีกับน้ำใจที่เรามีต่อเขามากกว่าในการมีน้ำใจกันนี่เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดการขาดน้ำใจกันเนี่ยเป็นการอยู่แบบแรดแค่อยู่กันแบบเป็นศัตรูกันคุณกัญญาครับการทำบุญด้วยแรงกายกับด้วยกําลังทรัพย์ ได้บุญเท่ากันหรือไม่เจ้าคะอันนี้ก็แล้วแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเท่ากันหรือไม่ซึ่งบางทีก็วัดไม่ได้บางทีก็วัดได้เช่นเราไปทํางานให้เขาเรา เ, ราเรามเราไม่คิดค่าแรงหรือว่าค่าแรงวันละสามร้อยเราทำแล้วเราประโยชน์ก็ได้ประมาณสามร้อยก็เท่ากับเราเาเงินสามร้อยนี้ไปทํำบุญใส่บาตรหรือทำใส่ตู้บ่อนจาะมาดูที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้ น, นจากการการเสียสละของเรา ว่ามันเป็นคุณค่า ร, ราคาเท่าไหร่จากคุณสมพรครับโยมได้มีโอกาสมานั่งฟังธรรมที่หน้ากุฏิพระอาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่สาธันวาที่ผ่านมาขณะโยมนั่งสมาธิทำไมโยมถึงเมื่อยขาปวดขาต้องเปลี่ยนท่านั่งเกือบสามถึงห้านาทีด้วยความเมื่อยนั่งฟังธรรมพระอาจารย์ไปก็ขยับเปลี่ยนท่านั่งอยู่ตลอดทําไมจึงเป็นเช่นนั้นครับก็เมือ่อยเลยกันทุกคนครับ น้ S <S <S <ess ics> แต่ว่าบางคนเขาเมื่อยแต่เขาไม่เดือดร้อนเพราะเขามีสติใจเขาจดจ่อยอยู่กับการฟังมีสมาธิอยู่กับการฟังเขาบ<น>็เลยเคลื่อนกับการฟังเลยทําให้อาการที่เมื่อยนะั้นไม่มาสร้างความลำบาญใจให้กับคขาแต่ถ้าโ ย, ยมฟังแล้วไม่มีสติอยูกับการฟังฟังแล้วก็ไปคอยกังวลกับเรื่องอาการความรู้สึกทางร่างกายพอร่างกายกับอาการเมื่อยขึ้นมาก็ก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่กับการฟัง ต้องหาวิธีผ่อนคลายอาการเมื่อยก็เลยต้องขยับขาขยับท่านน่งอยู่ทุกสามถึงห้านาทีอย่างที่โยมเล่านี่คือผลของการไม่มีสติไม่มีสมาธิมีน้อยมากไม่มีอุเบกขามีน้อยมากอุเบกขาก็น้อยอุเบกขาก็เกิดจากการมีสติมีสติมากอุเบกขาก็จะมีมากมีสติน้อยอุเบกขาก็น้อยคุณอีฟครับ กลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทำไมเวลาที่ป่วยไม่สบายหรือโดยเฉพาะเป็นโควิดจึงทำให้ไม่สามารถเข้าสมาธิได้เจ้าคะเพราะตอนนั้นจิตเราถูกความเจ็บป่วยของร่างกายมาทำลายสติไม่มีสติสตางที่จะกำหนดพุดโทโธพุโทโธแดูลมหายใจเข้าออกเพราะจิตไปโพกับความเจ็บป่วยของทางร่างกายพวงกับความความเป็นความตายของร่างกายเลยไม่มีกติกระจไม่มีสติที่จะ ให้จดจ่ออยู่กับพุโทโธและออยู่กับลมหายใจเข้าออได้มีคําถามจากทางคับเฮาส์ครับอาจารย์ต่อเนื่องจากเรื่องทำหมันสัตว์ที่หลวงพ่อว่าไม่ว่าบาปเอทําไม่ไม่บาปแล้วเป็นกรรมทําให้เราไม่มีลูกใช่ไหมคะต้องขอไม่ ม, ไมีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยทสกทีไม่ได้เกี่ยวกับทําให้เราไม่มีลูกการไม่มีลูกมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือเป็นเรื่องของทางบกฟ้องทางร่างกายมากกว่า หรือการไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้วิธีป้องกันมันก็ไม่มีโรคไม่มีลูกได้แต่ไม่เกี่ยวเรื่องของการไปทํามันของผู้ทํากับสัตว์นะคทํากับผมอย่างนีก็ดีเลยอย่างทามันเราก็ทํามันให้กับตัวเราเสร็จแล้วชาติหน้าเราจะได้ไม่มีลูกไม่ต้องไปทํามันใหม่ทำมัเดียวแล้วก็จบใช่มันไม่เป็นอย่างนั้นเใช่ไหม คุณวันเพ็ญครับกาบเป็นถามว่าเวลาป่วยเกิดเวทนานึกถึงบุญที่ทํามาสลับกับดูลมหายใจเราคิดว่าความตายเกิดได้ตลอดตอนจิตจะดับมีสติอยู่ลมแล้วไม่อยากเกิดจะได้ไปสุคติใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อจิตสงบก็ไปส่สกติถ้าจิตวุ่นวายจิตทุกข์ก็ไปทุกขติคุณแพทย์ครับ กลาวเรียนถามค่ะการประกอบอาชีพที่ทําประโยชน์กับผู้อื่นเช่นเป็นครูกู้ภัยจะถือว่าเป็นการทําบุญไหมคะก็อยู่ที่การผลตอบแทนถ้าเราไม่เรีผลตอบแทนเลยก็เป็นบุญทำฟรีอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าทำแล้วมีเงินเดือนก็ขึ้นอยู่ว่ามากหรือน้อยเกินเหตุเกินผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าปริมาณของการเสียสละขอราถ้าสมมติเปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นครูกับโรงเรียนของราชการเราได้สองหมื่น แต่ถ้าเราไปเป็นครูกับโรงเรียนเอกชนเราได้สี่หมื่นอย่างนี้อย่างนี้เราก็าจจะว่าคิดว่าเราได้ทําุญสองหมืนก็ได้แทนที่เราจะไปทำํทำทํําทางานกับเอกชนเพื่อให้ได้เงินเดือนมากขึ้นเรายินดีที่ทํากับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อสอนเคสเด็กที่ยากจนคนที่เขาไม่มีปัญญาที่จะไปเรียนโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ถ้าเปรียบเทียบนี้ก็น่าจะได้เนะบุญเช่นเดียวาับหมอนะหมอที่ทํางานกับโรงพยาบาล นัดกับไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนผลตอบแทนก็ต่างกันใช่ไหมหมอบางคนเขาถึงมีอะไรแรงมีมีอมีอุดมคติเห็นหมอไหนอุดมคติไม่ไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ทํากับโรงพยาบาลนัดไปเก็พอใจกับรายได้ที่มาจุดเจอเล้ยงชีพไม่หวังนั่งรวยจากการกระทันอย่างนี้ก็เรียกวเป็น ก, ปการเสียสละได้ส่วน มีการเสียสละเพราะมีโอกาสที่จะรวยได้มีรายได้มากขึ้นแต่ตก็ไม่เอาอยากจะสงเคราะห์คนที่ยากจนคนที่ไม่มีเงนินที่จะไปรักษากับโรงพยาบาลเอกชนสงเคราะห์ลูกคนชาวบ้านชาวนาคนยากไร้ที่ต้องอาศัยโรงพยาบาลรับเป็นที่พึ่งมาใส่คุณแต้มสีครับเคยมีคน มีคนคนมีจารดูให้ดิฉันว่าบาปมากกว่าบุญจึงแนะนําให้ดิฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิมิฉะนั้นจะถูกดึงไปใช้กรรมพลังชีวิตจะไม่เหลือแต่ดิฉันยังได้เกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าไม่ได้ทําบาปหนักใช่ไหมคะดิฉันผิดศีลข้อสี่มากที่สุดแต่เป็นคนไม่ชอบฆ่าสัตว์ค่ะคือการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นแสดงว่าบัญชีบุกับบัญชีบาปเท่ากันก็เวลาที่มันไม่เท่ากันมันถึงไปทุกขติหรือไปสุคติ แั้นมั่นหมาคําว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้มาควาว่าเราไม่เคยทําบาปหรือทําบาปไม่ไม่มากมันไม่ใช่อาจจะเคยทําบาปมากก็ได้อย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยทําอนันตเรียกกรรมตอนที่ตายไปบัญชีบาปมันมากกว่าบัญชีบุญถึงแม้ได้บวชเป็นพระมาตั้งยี่สิบกว่าปีแต่บุญที่ได้จากการบวชเป็นพระนี้ไม่ไม่หนักเท่ากับบาปที่ทําอนันตเริยกรรมคือประย่าฆ่าพระพุทธเจ้า ถึงสามครัด้วยกันทําได้อย่างมากก็ทําให้พระพุทธเจ้าพ่อเรือแล้วทํำย่อให้สองแตกแยกอันนี้เป็นเป็นกรรมหนักที่สุดเลยต้องตายไปต้องไปชดใช้กรรมในบายถึงแม้จะขอขามาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามถวายกราบเป็นเครื่องเครื่องสักการะเครื่องขอขามาแต่ก็ไม่ได้เป็นล้มล้างกรรมของตนที่ที่ได้ทำไว้เพียงแต่ว่าการ จิตสํานึกในความเพียของตัวนี้จะทําให้หลังจากที่พ้นกรรมแล้วนะหลังจากที่บาป ท, ที่ได้ทํำนิรนตลงมาเท่ากับบุญที่ได้ทําไว้ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาบำเพ็ใหม่เพราะมีนิสัยเป็นนักบุญ น, นักบวชอยู่ก่อนแนละ้วพอพอกลับมาอยู่ในระดับของของบุญเก่าที่เคยทําไว้ก็สามารถที่จะต่อบุญได้ ก็จะปฏิบัติตาำต่อแล้วก็จะปัดสัตว์เป็นพระปฏิเยกับพุทธเจ้าต่อไปคุณพันธิว่าครับพระอาจารย์เคยเกล่าวว่าคนโง่าหาสตางคนฉลาดหาสติเป็นเพราะว่าสติเป็นทรัพย์ของเราที่แท้จริงส่วนสตางไม่ใช่ทรัพย์ของเราที่เอาไปไม่ได้เอาไปได้ใช่ไหมครับถูกต้องพอเพราะถ้าเรามีสติแล้วเราจะได้สมาธิได้ปัญญาได้มาผลนิพพานตาม คุณระวิวันครับทําสิ่งดีเช่นทําประโยชน์แก่สังคมลดโลกร้อนดูแลสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะหมักขยะเศษอาหารลดมลาวะลดใช้พลาสติกเป็นบุญใหม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่ามีใครก็ได้รับประโยชน์จากการทําของเราหรือเปล่าถ้าได้รับก็ก็เป็นบุญอันนี้เราก็ไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันคุณธิปร ะ, ะพรครับ แม่ค้าเอาปลาที่ตายแล้วมาขายเราแล้วเอามากินมากินทําอาหารเราจะบาปไหมครับพระอาจารย์ไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้สั่งแม่ค้าไว้ล่วงหน้าก่อนเราพูดนียาวปลานะสั่งเขาไม่ได้สั่งเขแล้วเขาต้องแบเอาปลามาถึงนม้จะให้เขาทําตายแล้วเขามาขายเรามันก็บาปอยู่ดีทําเองก็ดีหรสา่ให้คนอื่นก็ทําให้เราก็ดีก็บาปแต่ถ้าเราเดินไปตลาดเราเห็นหน้าค้าเขาขายปลาปลาที่ตายแล้วอยู่แล้วก็าซื้อมาได้ อย่างนี้ไม่บาปแต่ห้ามสั่งให้ลงน้าคุณแต้มสีครับถ้าเราเป็นคนมีบุญน้อยแล้วตัดสินใจบวชตั้งแต่อายุยังไม่มากเราจะสามารถบรรลุธรรมในขั้นต่ําสุดหรือขั้นสูงสุดได้ไหมคะคือ ร, รู้ได้ไงว่าเรามีบุญน้อยขั้นที่หนึ่งยัง น, นถ้าเราบวชแล้วเราตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปี ก็อ่ใกรว่าบุญมากบุญน้อยเนี่ยก็ดูแต่ก็อยู่ในกรอบของเจ็ดเดือนเจดวันเจปีถ้าบุญมากก็อาจจะเจวันก็สําเร็จเดือนจบถ้าบุญปางกลางก็อาจจะได้เจดเดือนถ้าบุญน้อยอาจจะเจดปีตามแนวก็สติปัฏฐาน4คุณวิไลพรครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําเวลาเราอยู่กับคนมีกิเลสหนาและกลุ้มใจเพราะยังต้องอยู่กันทั้งชีวิต ต้องทำใจแลหวางตัวยังไงดีคะขอความเมตตาเจ้าค่ะก็ทำใจว่าเหมือนกับเราอยู่กับอะไรกับดินฟ้าอากาศกันแลับเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับเอาไม่ได้อากาศจะร้อนเราก็ต้องอยู่กับมันไปอากาศจะหนาเราก็ต้องอยู่กับมันไปก็เหมือนกัน mm. อยู่มองทุกอย่างให้ว่าเป็นธรรมชาติได้แล้วเราก็จะทาใจได้ เราทำใจอยู่กับความหนาวได้ทำใจอยู่กับความร้อนได้ทำใจอยู่กับเวลาฝนตกน้ำท่วมได้เพราะเราไม่มีทางเลือกใช่ไหมเราต้องอยู่กับมันดังั้นพุจ้าสอนว่าให้เรามองว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นการเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีผู้หญิงผู้ชายในกนใยขออันนี้เป็นสมมุติที่เราสมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี้ย ร่างกายของคนนั้นคนนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วเราก็ไม่สามารถไปควบคุมมันคับไปสั่งให้เขาเรียบร้อยให้เขาดีกันทุกคนไม่มีกิเลสกันทุกคนก็สั่งเขาไม่ได้เขาจะกิเลสหนามากบางก็เป็นสิ่งที่เข้ามากับเขาเป็นอของเ้าแบบนี้ถ้าเราต้องอยู่กับเขาก็ต้องจำทำใจนะถึงสอนให้เรามาฝึกสมาธิกันฝึกสติกันให้เบลเบคา พอเราม่อุเบกขาแล้วก็เราก็จะอยู่กับใครก็ได้ไม่เดือดร้อนคุณจัน ญ, ญาครับสาธุเจ้าค่ะอยากถามอาจารย์ค่ะว่าเวลาเราฟังธรรมเราฟังพระเทศแล้วลูกเรามักจะพูดว่าเราถูกพระบ้าล้างสมองเราควรจะทําอย่างไรเจ้าคะก็ล้างสมองเป็นทางที่ดีก็ไม่น่าจะเสีหายสมองเรามันสโปรกเนี่ยพระแตงมาล้างสมองให้สะอาดเนี่ยให้สอนให้เราล้างแบบนี้มันเสียหายตรงไหน สอนให้เราทําบุญเสียหายลไงไหมตอนให้เราทชำนาญใจกับการจัดกิจเดชตหาให้หมดไปจากใจนี้มันมันเสียหายนะไม่เสียหายหรอถ้าสอนตามหลักคําของพระพุทธเจ้าสอนใ ห, ให้สอนให้ทำการถ้าไปสอนเรื่องอื่ไม่รู้นะสอนให้ไปทําพิธีกรรมวงสรวงไปไปลอดใต้อะไรทําพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มีการกระทําอยู่ทุกวันอาบน้ํามนต์อาบน้ำอะไรนะอันนี้ไม่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทเจ้า อย่างนี้เรียกว่มมาล้างสมองที่ไม่ควรจะให้เขาล้างหรอกเพราะมันไม่ใช่เป็นวิธีล้างสมองที่ดีล้างสมองที่ดีต้องตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนให้ทำคือหนึ่งละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสอ ง, ส ร, งสร้างบุญสร้างบุญลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณสมขมรครับ เมื่อพ่อผิดหวังอย่างมากที่ลูกสาวเกเรเราจะพูดอย่างไรให้พ่อเขาทาใจได้บ้างคะต้องกราบขอเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดน่ะคนเรามันก็เหมือนกับปรากฏการณ์ธรรมชาติมันกับต้นไม้มีผลไม้ชนิดต่างๆบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นสับปะรดบางคนก็เป็นมะละกอบางคนก็เป็นแตงโมใช่ไหมคนเราก็เป็นเหมือนผลไม้ จะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้แล้วแต่ถ้าเขาเป็นมลรครก็ต้องยอมรับความเป็นมลรคอรเเราจะไม่วาให้เขาไปกล้วยนไม่ได้ถ้าเขาเกเรมันก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเป็นเป็น personality ของเขาที่เขามาเป็นอย่างนี้ให้ให้ตอเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ครับอาจารย์โอเคลืมไปว่า everybody who is born has different character have different personality And you cannot force them to be, have the same character, same personality. Some have good, some have good character, some have bad character. This is come from their past good and bad karma. So you cannot, you can try to change them by educate them, but you cannot uh, transform them by your command. You can only tell or teach that they should change that. Uh, The character. If they want to have a better life, have a happier life. But if you cannot do that, then you just have to accept them for what they are. คุณนิติกรครับกลับเรียนถามอาจารย์ค่ะถ้าแฟนให้เงินเราทั้งหมดแล้วเราเอาไปทาบุญต่างๆเช่นซื้ออาหารใส่บาตรจะได้บุญทั้งคู่ไหมคะแฟนก็ได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วนะแฟนเขาก็ทำบุญกับเราไง การเข้าให้เงินเอนนี้ก็แสดงว่าเขาทำบุญกับเราแล้วเขาได้บุญมาแล้วส่วนเราจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเราถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าเราก็จะไม่ได้บุญถ้าเราไปซื้อขอ ง, งฟุ่มเฟือยไปเที่ยวเราก็จะไม่ได้บุญแต่แฟนเขาได้บุญนะพี่สมพรบอกว่าที่มาเห็นพระอาจารย์ตอนใส่บาตรแปลกตาแปลกใจคือไม่เคยเห็นการใส่บาตรของพระ ในพระพุทธศาสนาที่นี่มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่งคั่งอุดมสม บ, บูรณ์เอามากหากเป็นที่จังหวัดอื่นๆความอุดมสม บ, บูรณ์ในการใส่บาตรด้วยข้าปลาอาหารมักจะเป็นช่วงวันพระหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลต่างๆแต่ที่นี่ไม่ใช่พระพุทธศาพุทธศา ส, าสนิกเปิดท้ายรถใส่ บ, บาตรก็ยกใหญ่ยโยมทั้งอืง้งทึ่งด้วยความที่ไม่เคยเห็นภาพความอุดมสม บ, บูรณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยุคโควิดที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรามีโซเชียลมีเดีย ที่คนได้เข้าถึงได้รู้ว่ามีที่ที่บินาบาดเรามีกิจของเรามาก็อีกส่วนหนึ่งสถานที่ที่อยู่ก็พัลีอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมีในในเขตเศรษฐกิจที่ที่นู่นเลยจังหวัดชลบุรีพัทยานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคนมากันเยอะมาจากทุกมุมโลกแล้วก็มีโซเชียลที่มีการรับรู้กัน อย่างกว้างขวางัไม่ว่าใครก็ตามยันนี้คนมาสายบาล น, นี้ไม่ยันจะชาบคนพื้นค น, คนพื้นที่นะคนในหมู่บ้านนีเพียงแต่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ถึงว่าอยนี้มันเพียงแค่สาสิบเปอร์เซนส่วนอีกยี่สิบอีกหกสิบเปอร์เซนตนี้มาจากที่ใกล้ที่ไกลมาหมดเชีวมงมงเชียงไหม่ผู้กบผู้เกตต่างชาติต่างประเทศก็มีอินโดนีเซียมาเลยก็มา พราวนี้เขาเข้าถึงสื่อที่เราเว็บเพจที่เรามีอยู่เรามีเว็บเพจทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยคนที่เป็นผู้ติดตามเขาเขาก็จะรู้ว่าเวลาบินบทบล์อยู่บินอย่างไงอยู่ที่ไหนเขามีแผนที่มีอะไรแจ้งบอกให้ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อของของของทางโซเชียลมีเดียที่มีทําทําให้เป็นประโยชน์ก็ได้ทําให้เป็นโทษก็ได้ แล้วแต่ว่าผู้ที่จะใช้ใช้ใช้ใชเป็นหรือไม่ใช้เป็นใช้เป็นอาทิี่ทำใดคุณรัชยาครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าญาติผู้ใหญ่สั่งเราไว้ล่วงหน้าว่าหาอนาคตอาจจะป่วยและไม่มีทางรักษาหรือสมองตายเป็นผักเราจะบาปไหมคะและญาติเราจะบาปไหมคะสั่งไว้ล่วงหน้าให้ทําอะไรนะไม่ได้บอกเนี่ย ถ้าสั่งว่าไม่รักษาก็ไม่บาปถ้าเขาสั่งถ้าเป็นการปารถนาเราถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะสั่งเราได้ตอนนั้นชช่นอาจจะสลบสลายไปหรือเข้าโคม่าหรือะไรทั้งนั้นนี้แล้วเขาบอกอย่ารักษาถ้าเราสั่งเพื่อลูหน้าก่อนแล้วเราทับตามไม่บาปมันไม่ถึงแม้เขามันถึงแม้เขาไม่สั่งถ้าเราทําก็ไม่บาปดีๆเพราะเราไม่ได้ทําให้เขาตายแล้วเพียงแต่เห็นว่าการรักษาไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นการประเวงเวลาให้เขาทรมานไปเป่าๆซูบไวยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติครับมันสมัยของพุทธการมันสมัยที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เรามีการประัยนี้กรักษาเป็นไปตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปแค่นั้นเองเอกอากับอาจารย์คุณย่าผมที่สอนเรื่องบัญชีเนี่ยครับท่านก็เป็นมะเร็งเต้านมครับอาจารย์แล้วก็สั่งไว้เลยว่าไม่ต้องรักษาจน จนท่านก็ไปด้วยควาสมสงบท่านก็นั่งสมาธิทุกวันผมเห็นนั่งแต่สมาธิทุกวันตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆ เ, เลยค ร, รับอาจารย์ถ้จิตท่านหนักแน่นมากถ้าไม่รักษาในยเลยกินโมไม่เอาผ่าตันไม่เอาอะไรไม่เอาเลยครับอาอบจารย์ไว้ให้เป็นไปตามธรรมชาติเจอครั้งแรกอบอกเป็นมะเร็งระยะสี่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเฉยๆก็อบอกเตรียมมาตั้งนานแล้วท่านว่าอย่างนี้ครับอาจารย์แสดงว่าท่านมีวิปัสสนาท่านอาจจะเป็นโสดามันแล้ก็ได้ครับถ้า จ, จิตใจมั่นโคงขนาดนั้นนะ ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่มีความกลัวให้เห็นเลยครับใช่นั่นะคือผลอนี่สอที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้ามีไว้ใช้เวลาที่เราจะต้องเจอกับข้อสอบของชีวิตและสอบผ่านได้อย่างสบายหาให่วมคุณแต้มสีครับ เป็นไปได้ไหมคะที่นั่งสมาธิแล้วเกิดหลงแต่ไม่รู้ตัวว่ากําลังหลงเพราะตอนฝันคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวว่าฝันเลยคะ่ะก็เป็นไปได้ก็นั่งหลับเนี่นั่งหลับก็ไม่รู้ว่าหลับแล้วพอตื่นขึ้นมาคิดโ่าวันนี้นั่งสมาธิได้ต้องครึ่งชั่วโมงได้ตั้งสองชั่วโมงแต่นั่งหลับไม่ได้นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธินี่จะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาจะเลยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตทุกขณะแต่ถ้านั่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัว นี่ขอภาบด้วยลนะ้วษสดงออกไปเลย <laughs> คุณสุกันยาครับชาวประมงจับปลาเป็นบาปแล้วผู้ที่ขายอวนขายเบ็ดตกปลาบาปไหมเจ้าคะไม่บาปถือเป็นอาชีพที่ไม่กดรจะทำเพราะไม่ใช่เป็นสมาชีพเพราะเป็นการส่งเสริมให้พูดก็อํานวยความสะดวกให้กับผู้ให้เขาได้ทํำบาปได้ง่ายขึ้นขายสุราก็ไม่ได้ อาชลาก็ทําให้เขาไปเสพชุลาแล้วมึนมาแล้วก็ไปทําบาปตอบได้คุณพันธิวาครับพระเมื่อบวชแล้วได้บรรลุโสดาบันจะมีโอกาสศึกออกไปเป็นเพศคารวะอีกไหมครับบรรลุจะศึกไปทําไมการอยู่เป็นพระนี่สบายที่สุดนะข้าวาฟรีที่อยู่ก็ฟรีน้ําไปก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดภาษีก็ไม่ต้องจ่ายงานก็ไม่ต้องทําไม่มีงานอะไรต้องทํา กินกินนอนๆอนอยู่เดียวนอกจากปฏิบัติทำต่อพอเป็นโสดาบันแล้วมันก็ไม่มันก็อยากจะปฏิบัติให้มันหนุนให้มันขั้นสูงต่อไปเท่านั้นมันจะไปหางานอื่นทําทํำไมให้เสียเวลาไม่มีงานอะไรที่สําคัญเท่ากับงานบรรลุถึงขั้นนั่หละพรในขั้นที่หนึ่งแล้วจิตมันจะเกิดความคนองนะคณองอยากจะขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามนะมันจะไปสืบค้าเลื่ยการไม่เสืบแล้วมันจะไปทำอะไรต้องไปทํามาหากินนะสิใครจะมาเรียกเราล่นะ ไม่มีทางพิสิกสึกเข้าไแล้วว่าเป็นโซดามันเนี่ยเป็นโซดามากกว่าคุณสมพร้อมครับคนที่ฆ่าตัวตายเขาจะไปสู่สุขติภพในสวรรค์ได้ไหมคะหรือว่าต้องไปอบายที่นรกอย่างเดียวต้องไปนรกก่อนฆ่าคนเนี่ยฆ่าคนอื่นก็ร้ายกาจแล้วฆ่าตัวเองยิ่งร้ายกาจเลยก่อนเพราะเราจะรักเขาตัวเรามากกว่าเราักคนอื่นใช่ไ ค่าคนอื่นนี้มันง่ายกว่าค่าตัวเราเป็นการจะค่าตัวเราได้ น, นี่เราต้องเคี่ยวโง่มากกว่าการค่าคนอื่นแสดงว่าจิดเี่เลวมากโหดามากเะอย่าพูดเร่อเร็วเลยโหดามากทามมากคุณสมพรครับยมเริ่มเห็นจิตที่มีกิเลสครอบงามพอรู้ทันก็เอาปัญญาไปตัด ทันทีแค่รู้ทันกิเลสก็มีความสุขสุดๆแล้วอย่างนี้แสดงว่าโยมีสติมีสมาธิมากขึ้นใช่ไหมครับพอจิตมีสมาธิจิตมีสติก็ชักนําให้เกิดปัญญาได้ง่ายแต่ต้องมีสตินําก่อนมิฉะนั้นจะถูกกิเลสหลอกซึ่งก่อนหน้านั้นจะเป็นคนที่กิเลสหลอกเอาตลอดคือตามใจกิเลสตลอดเกือบทุกทีทุกครั้งทุกเรื่องไปน้องกับคำแนะนําพระอาจารย์ครับก็อาจจะเอาหนัก <imperfect>, ก <tit les> ิเลสแบบพวกที่หยาบๆก่อนพวกที่เห็นได้ง่ายก่อน แต่พวกที่ละเอียดที่ลที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้สติใช้ปัญญาที่มากกว่า น, นี้ถึงจะสามารถเข้าถึงได้แต่ก็สแสดงว่าเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีมีธรรมะลเริ่มมีอะไรบ้างแล้วที่จะเป็นเครื่องมือต่อสู้่วยกิเลสเมื่อก่อนนี้ตาม ต, ตามคําสั่งกิเลสไปเลยกิเลสบอกให้โลภก็โลภกิเลสบอกให้ขรรคก็ขรคแต่ตอนนี้เริ่มมีธรรมแล้วมาม า, ม า, ม, า, ม, ามาสวนทางกันแล้ว นลกตาลาโมบอกว่ า, วาธรรมะนี่เป็นครู่ต่อสู้ของกิเลสแสดงว่าเราเริ่มมีการยับกับเขามาแล้วเมื่อก่อนถึงข้อยับตลอดเวลาถึงข้อโชคตลอดเวลาตอนนี้เราเริ่มมีมีสติมีปัญญาเริ่มเริ่มต่อสู้กับเขาได้มากคุณรัชยาครับที่ถามเมื่อกี้ครับบอกว่ายาต้ใหญ่สั่งว่าหนะันหนักเจ็บป่วย หรือสมองตายให้เราบอกหมอว่าคนไข้สั่งไว้ว่ายินดีจัดสละอวัยาวะเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นแบบนี้เราจะบาปไหมคะถ้าเราทำตามคำสั่งก็ไม่บาปคุณปิยรัตน์ครับการที่จู่ๆเราหันมาสนใจปฏิบัติและรู้สึกอยากปฏิบัติไปต่อเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมคะในอดีตชาติเคยสั่งสอมา ก, อก็มีส่วนสิ่งที่เราถ้าสิ่งไหนที่เราชอบเรามักจะอยากได้ เราก็จะชอบต่อไปพอเราเจอสิ่งที่เราชอบแเราก็จะชอบทันทีซึ่งเป็นอีกคนหนึงอาจจะไม่ชอบสิ่งเดียวกันก็ได้คนที่ไม่ชอบก็แสดงว่ า, น า, าในอดีตเขาไม่เคยสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เขาก็เลยไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบเราเห็นคุณประโยชน์ของมันพอเราเจอมันเองเราก็อยากจะได้ คุณชาดําครับอยากทราบว่าการที่เราทําสมาธิจนได้ฌานสี่คือเราสามารถดับอกุศลได้ในช่วงเวลาหนึ่งใช่หรือไม่ครับช่วงนั้นกิเลสไม่ทำงานความโลภกตรงนี้นกกทํางานไม่ได้ขณะที่อยู่ในสมาธิขณะจิตเป็นกลางจิตมา่งจากความรับชางกลงแต่พอออกจากสมาธิมาก็กจะเริ่มเริ่มมีการเอ เสื่อมลงความรักชั้นบนลงก็จะเสื่อมลงกิเลสก็จะเริ่มแสดงตัวออกมาได้เพรเราเริ่มคิดปรุงแต่งเริไปสัมผัสรับร่วมกับรูปเสียงกินกต่างๆกิเลสที่เคยมีพอได้เจอรูปที่ชอบมันก็จะออกมาทันทีการความรักขึ้นมาการความอยากได้ขึ้นมาทันที คุณสิวะครับผมเคยทําฆ่างูและตะขาบเข้าบ้านกลัวมันจะมาทําร้ายครอบครัวแต่พอฆ่าเขาแล้วไม่สบายใจเวลาผมไปทําบุญผมจะแผ่เมตตาให้เขาตลอดจะลดบาปจากหนักมาเบาได้ไหมครับไม่ได้หรอกบาป ท, ที่เราทําไว้ก็จะ ต, ต้องเกิดขึ้นเนี่ยดววิญญาณเราก็จะเป็นอสูรร่างกายเนี่ยมีแต่ความกลัวแต่ถ้าเราทําบุญก็จะอาจจะเป็นตัวที่จะอาจจะทําให้บาป ท, ที่เราทํานั้นยังอาจจะแสดงผลไม่ได้ ถ้าราทำบุญมากกว่าที่บาบ า, บาที่เราทําเวลาที่เราจิตสุดท้ายของเราถ้าบุญของเรามากกว่าบาบาที่เราทําก็ยังจะไม่สมผลบุญจะสมผลก่อนแต่ถ้าบุญน้อยกว่าบาบาจะส่งผลนัดทีคุณอาทิตย์ครับการรัตการพระอาจารย์ครับถ้าเรามีความอยากแล้วไปทําให้ความอยากหายก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิจะได้ไม่ต้องมานั่งข่มออตอนทําสมาธิทำแบบนี้มันไม่ไดีอย่างไรครับ มันไม่ดีเพราะว่าการไม่ทำตามความอยากมันไม่ได้ทําให้ความอยากหายไปมันกลับไปเพิ่มกําลังของความอยากคราหน้าให้มีมากขึ้นและคราวหน้าจะนั่งสมาธิได้ยากขึ้นเพราะความอยากมันมันแรงกว่าเก่ายิ่งทําตามความอยากมันมันยิ่งทวีคูณนะอย่างที่โบราณเ่าพูาได้คืนก็อยากจะได้สอกคราวนี้กินแก้วเดียวแในคราวหน้าขอจากสองแก้วมันมันถึงจะได้ที่ พอได้สองแก้วแนละ้วเอ า, ารักษาแก้วเข้าต่อไปอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะทําให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปไม่ใช่น น, อ น, น, อน้อนมันก็จะทําให้การนั่งสมาธินี้เป็นไปได้ยากต้องเนกิกเพรมันเป็นนิวรันเป็นการมาฉันทะนะเป็นนิวรันกามาฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัผัสพระ คุณอุไรครับถ้าเราซื้อปลาจากบอ่อที่เขาสูกไปขายแต่เราซื้อไปปล่อยมันเป็นการส่งเสริมให้เขาทําอาชีพจะได้บาปหรือเราจะได้บุญคะเราอย่าไป ม, มองว่าเป็นการส่งเสริมเรามองว่าเป็นการถ่ายชีวิตถ้าเราเป็นปลาเราจะดีใจหรือเสียใจวิจัยถามปลาตัวนั้นว่าทําไงดีปล่อยคนดีไหมเนื้อถ้าปล่อยคุณแล้วไปส่งเสริมให้เขาทําอาชีพนี่ถามปลาดูมันจะว่ายัางไงปลาพอปล่ายผมดีกว่าครับจะส่งเสริมอาชีพก็ชันโค้บไนเถอะ อย่าอย่าวาเนือเอาทีกิเลสมันชอบมีเงื่อนไขป้องกันแม่เราทําบุญอ้างนู่นอ้างนี่ไปหมดทาให้เราไม่กล้าทําบุญโกลัวทแล้วไปส่งเสริมอาชีพให้คนเข้ามาทําต่อก็เรื่องของเขาเขาจะทํามันก็เรื่องของเขาเราเป็เรื่องหน้าที่ถ่าช่วยชีวิตขเขาแเราก็ช่วยไปอย่างคุณหมอมีหน้าที่ช่วยคนไข้เข้ามาแต่คนไข้เขาจะไปทําบาปทำอะายเสียหายแล้วทําให้เข้ามาเป็น หมอจะไม่ช่วยเขาเลยอกว่าถ้าช่วยช่วยเข า, าเดี๋ยวเขาหน้ากับกลับกลับไปทําใหม่อีกนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของหมอที่จะไปกังวลอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่หน้าที่รักษาเขามาเขาป่วยเขามาหาเราเราก็รักษาเราไม่ถามขเขาไปทําบาปแล้วเปลบาถึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าทําบาปผมไม่รักษาให้นะเพราะเป็นการส่งเสริมให้คุณทําบาปหมอไม่ถามใช่ไหมไม่เคยถามนะกัน <laughs> คุณพิสิทธ์ครับขออนุญาตสอบถามว่าการที่นําไข่ไก่ไข่เป็ดมาทําเป็นอาหารผิดศีลปานาติบาหรือไม่ครับก็มันมีไข่ที่ไม่มีตัวใช่ไหมไข่ที่ไม่มีตัวก็ทําได้ไข่ที่มันมีตัวสแสดงว่ามันมีชีวิตนีก็ไปทําลายชีวิตของมันมันก็ไปทําให้แทงในในใ น, ในร่างกายแล้วไม่ทราบว่ายากยังไงคุณหมาเรือ่งองอ้นเรื่องไข่ไข่ที่มีตัวไข่ที่ไม่มีตัวเนี่นี่ต้องอยู่ที่พันธุ์ของไข่ของไข่นี่เขา เดี่ยวอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับอาจารย์ไม่รู้เข้าผสมเป็นเป็นเป็ น, ปนไม่รู้ผสมจากผู้ชายหรือเปล่าถึงได้เป็นไข่หรือว่าแม่ไก่ออกไข่ได้เลยไม่รู้ครับอาจารย์ถ้าแม่ไก่ออกไข่ถ้าในผมคิดก็ยังไม่มีการผสมนะครับอาจารย์ก็ออกไข่ได้เหมือนกันแต่ไม่มีตัวถ้าไม่มีการผสมพันธุ์น้าอาจารย์ถ้าไม่มีการ ผมไม่ทราบนะครับอาจารย์แต่ถ้าไม่มีการผสมน่าจะยังไม่มีชีวิตไหมครับอาจารย์แต่ทางการแพทย์มันต้องผสมจากพ่อกับแม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวไม่มีทารอกอยู่ในไข่อยู่ในไขน่นันครับผมคุณเออ่างครับนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านได้บุญไหมครับไม่ได้ทําได้ควาสมสงบมาถึงจะได้บุญบุญคือความสงบความสุขที่เกิดจากควาสมสงบบุญคือความสุขใจ พุ่งซางนี่แสดงว่าไม่มีสติต้องฝึกสติให้มาก ม, า ก, มาก่ อ, อนที่นนะจะมาหน้จากคุณผู้หญิงครับคนที่บวชแต่เป็นโรคซึมเศร้าบวชชีนะครับแต่เป็นซึมเศร้าชอบอ้างเอาความป่วยของตัวเองมาเป็นกําแพงป้องกันตัวเช่นใครขัดใจจะด่ารงแรงมีดไล่ฟันทะเลาะตบ ต, ะตีแล้วบอกว่าคนบ้าทําอะไรไม่ผิดเจ้าวาดไม่กล้าจัดการอะไรอย่างนี้คนคนนี้ยังสมควรเป็นนักบวชอยู่หรือไม่คะประสบกับตัวเองแต่ไม่โต้ตอบอะไร โยมจะเลียงไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาจะบาปมากไหมเพราะเป็นนักบวชครับไม่หรอกเพราะว่านักบวชก็คือผู้สงบกายวาจาใจถ้าไม่สงบกายวาจาใจแล้วถึงแม้จะใส่เครื่องแบบของนักบวชก็ไม่ถือว่าเป็นนักบวชต้องจเจ้าว่าดต้องเป็นคนที่มีอำนาจเด็ดขารในการจัดการกับบุคคลเหล่นี้ให้ออกจากสถานที่ ท, ที่ให้ใ ห, ให้สำหรับพวกนักบวชอยู่ พวนี้ต้องไปอยู่ที่สถานรักษาแพทย์้สถานรักษาพยาบาลโรคจิตต้องย้ายเข้าไปแต่สมัยนี้บางทีเจ้าวาดก็ไม่มีน้ํายาเลยทําไรก็กลัวกลัวจะถูกปลดออกจากตําแหน่งกลัวต้องรักษาตําแหน่งไว้ฉะนัน ท, ที่รักษารักษาวัดให้อยู่ในค่ายสมองก็มากังวลการเรื่องตําแหน่งของตนกลัวเราจะยังไปถูกร้องเรียนไปถูกกล่าวหากา ถูกสุดถูกตรวจสอบถูกอะไรไปก็แล้วไม่ทําดีกว่าปล่ยมันไปตามเรื่องตามราวเอาตัวรอดดีกว่าคุณพระซาครับกลัวป่วยเป็นโรคร้ายคิดมากกังวลกลัวเป็นอะไรไปคิดวนไปมาทุกวันแต่ใจห่วงลูกมากต้องทําสมาธิแบบไหนบ้างคะก็เนี่ยเราทําสมาธิให้จิตให้สงบบริการพุทโธพุทโธดูลงหายใจเขา ในเวลาที่ไม่ได้ทําสมาธิก็ต้องมันท่องบทที่พระเจ้าสงสารว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดารวมพลอยความแก่ความเจ็บความตายเลยไม่ได้อันนี้เป็นจะช่วยสอนให้เราเตือนใจเตือนสติให้เราย้อนรับความจริงและเราก็อญหากลัวพรากลัวมันก็มันกลัวมันก็ต้องเจ็บไม่กลัวมันก็ต้องเจ็บแต่ถ้าถ้าไม่กลัวแล้วมันก็จะไม่ทุก ถ้ากลวงมันจะทุกไปตลดอดเลย น, น, นคะครับคุณอนุภาครับลูกกำลังเผชิญกับการสูญเสียการได้ยินของหูข้างซ้ายพอทราบจากคุณหมอก็ทุกข์ใจแต่พอนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ก็เกิดกำลังใจว่าเหลือเท่าไหร่ใช้เท่านั้นพอใจเท่าที่มีก็ค่อยๆคลายใจทุกตอนนี้สามารถหัวเราะได้แล้วค่ะนี่กลับเรียนท้องฟมาร ค, ครับมองใน ง, ง่มงุมบวกก็เด้นะ ไม่ได้ยินเสียงก็ดีอย่างนะเขาขายก็ด่าเราก็ฟังไม่เรื่องนะเราไม่ได้ยินมันก็มีคุณประโยช น, น์เหมือนกันนะในการที่เราเ อ, อไม่ได้ยินเสียงคนนแต่มันก็มีการเสียประโยชน์ที่เขาเลยอมรับขอมันไปคุณตุ๋ยครับนั่งสมาธิที่ไรหลับทุกทีเจ้าค่ะต้องแก้ไข ย, ยังไงเจ้าค่ะต้องมาเดินสมาธิก่อน ถาเดินสมาธิยังหลับอยู่ก็แสดงว่าไม่มีสติพอต้องไปฝึกสติก่อนอัจทําพุโทโธไปทั้งวันทําอะไรกับพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วต่อไปรวางสมาธิก็จะไม่หลับคุณคันธีรัะครับมีคนรู้จักไปรักษากับพ่อปู่เป็นร่างทรงเรียก่ารักษาหลายหมืน่น บางคนดีขึ้นก็เชื่อยอมจ่ายเพราะรักษาทางแพทย์มาหลายปีไม่หายขอกราบถามความคิดเห็นของพระอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อแล้วก็มันอาจจะเป็นความบังเอิญบางคนถึงเวลามันจะหายมันก็หายพอได้ไปรักษาการหลวงปู่เข้ามันก็เลยหายจังหวะเดียวกันมันก็เลยทําให้เกิดความเชื่อนั่นมาอย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่ามีนคนไปไปรอซื้อน้ํำแร่ ที่จะามาดื่มแล้วจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีชาวบ้านยืนรอคิวเป็นร้อยคนเลยจนกระทั่นเขาต้องใช้เครื่องมือผลิตน้นําแร่ใช้เครื่องือก็เอาน้าไปแช่น้หน้าที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ํานี้มาดื่มแล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเป็นความเชื่อความความหวังของคนที่เจ็บไายได้ป่วย เมื่อพึ่งแพทย์ทางปัจจุบันไม่ได้ก็ไม่ยอยพึ่งที่ไหนก็เอาสายศาสตร์ก็เอามามันก็ไม่เสียหายทั้งไหนเสียแค่นำ้ำสามกวดยี่สิบาทเท่านี้เผื่อหายก็ดีไม่หายก็แล้วไปคุณอาัชาครับบอกว่าผมเคยสนับสนุนให้เขาทำวิดีโอจึงทดลองทำบ้างหากถือศีลเจ็ดให้มั่นคงไม่ด่างพร้อยเขาจะใช้เพลงประกอบ ได้ใช่ไหมเจ้าครับแม้เพลงนั้นจะเป็นเพลงธรรมดาธรรมดาที่ทำให้กําลังใจคนดูเท่านั้นก็ตามเจ้าค่ะมันถึงใครเนี่ยมันถึงเขาเกับเขาไปทําวิดีโอคลิปวิดีโอแต่ว่าเขาถือซีนแปดอยู่แต่เขาใกล้ขอถือซีนเจ็ดเพราะยังนอกฟังเพลงอยู่ครับประมาณนั้นนะครับอาจารย์ก็เพลงมันก็มันเป็นเป็นทางโลกมันขาดกระทางธรรมแล้วมันก็เอาสองอย่างมาปนกันมันก็จะได้ทั้งร้อนได้ทั้งเย็น มันก็จะไม่เย็นมากมันก็ไม่ร้อนมากมันก็แบบอุ่นๆครับคุณกุ้งวราครับการวางจิตเมื่อทํางานกับคนที่เกียจมากๆมีข้ออ้างตลอดเหมือนเราโดนเอาเปรียบพยายามทําความเข้าใจแต่ยากมากค่ะใจเรามีแต่โกรธและมันสะสมไม่ชอบเลยค่ะก็เรามองที่ ส่วนของเราก็แลาเป็นหน้าที่อะไรของเราเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปส่วนนั้นเราก็จะทําไม่ทํำมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็มีสองวัยสองมือเราก็ทําเต็มที่ของเราไปพอหมดเวลาเราก็กลับมากไปแค่นี้องอย่าไปดูคนอื่นดูดูหน้าที่ของเราดูงานของเราดูการกระทําของเราส่วนก็เลยจะขยันขี้เกียจมันไม่ใช่เรื่องของเราเราห้ามเขาไม่ได้นอกจากว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราก็บอกว่า ถึงเวลาคนจะเปลี่ยนงานได้แล้วถ้าไหนว่าเขาไม่ได้ทําให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยคุยกับเขาก่อนเพื่อให้ให้เขาได้ปรับตัวเองก่อนถ้าก็ไม่ยอมปรับตัวเองก็ยังทำอย่างนี้อยู่ก็ต้องเฉยนอีน้แต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่ทําไม่น้าเราก็อย่าไปสนใจเราก็ดูแต่หน้าที่ของเรางานของเราทําตามหน้าที่ของเราไปเท่านี้ คุณเขมจิลาครับการเป็นถามพระอาจารย์ในวันที่ไม่มีอาหารพ่อจะฆ่าไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อนํา ม, มาปรุงอาหารให้ลูกๆดิฉันเองก็สงสารพ่อและไก่บาปข้อนี้ดิฉันก็ไม่ส่วนทําให้พ่อต้องฆ่าไก่ดิฉันไปปฏิบัติธรรมแล้วขอแผกุศลให้พ่อท่านจะได้บุญนี้ที่ลูกปฏิบัติใหม่ค่ะจริงเราไม่มีส่วนเนาะเราไ ม, เาไม่เราไม่ได้ไปขอพ่อพ่ อ, พอนอยากกินเนื้อไก่นะกันกินข้าวมันไม่มีเนื้อที่มันไม่อร่อยเลยถ้าอย่างเนี้หรูก็มีส่วน แต่ท่านหนูอยู่เฉยๆแล้วพ่อก็อยากจะฆ่าไก่มามาเลี้ยงหนูหนูก็กินไปเรีวยว่าท่านหนูอยากจะประทุวก็ได้พ่อหนูไม่อยากกินไก่เลยรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้ก็อาจจะช่วยให้พ่อคราวจจหน้ า, า จ, จะไม่ไม่ฆ่าไก่มาให้เรากินก็ได้ในเรื่องการที่จะไปแผ่กุศลให้พ่อนี่มันทำไม่ได้คนระับเป็นเรื่องของบาปที่พ่อจะต้องรับใช้ต่อไป ทำได้กบเพีงแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเขาเป็นเปรตแล้วเขาขาดบุญอยากจะมาขอส่วนบุญจากเราแล้วก็ทำบุญที่ไปให้เขาได้ท่านนีคุณสมพรครับถ้าในบางวันโยมไม่ได้ใส่บาตรโยมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอีกได้บ้างครับที่ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยเช่นเดียวกันครับเอาเงินใส่บาตรใสกระปุกไว้ด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ก็เอามาชดเชยได้ทำสองเท่า วันที่เราสาบาตรเร a ก็ทำเอาเอาวันที่เราไม่ได้ทำนี่มาชดเฉยได้หรือถ้าสาบาตรไม่ได้ก็ไปให้ขอทานก็ได้ให้ขครก็ได้ให้คุณพ่อคุณม่ก็ได้ได้หมดให้ใครก็ได้อย่ากเก็บเอาไว้เป็นของเรากันแล้กันท่าคุณนันทนาครับถ้าเราอยู่ในสภาพที่เราติดโควิดและยังทาความเพียรได้อยู่ ถือว่าเราก็ยังมีสติและสมาธิที่จะผ่านก็สอบชั้นต้นนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วควรจะใช้โอกาสนี้พิจารณาอะไรได้บ้างนอกจากมรณานุสติครับก็พิจารณาเวทนานความเจ็บปวดของร่างกายพิจารณาโลกภายไข้เจ็บว่าเรายังกลัวมันหรือเปล่าเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้พ้นจากวันนี้นะเดี๋ยวคราวหน้ามันก็กลับมาใหม่ ถ้าเราไม่อยากจะทูกกับมันเราต้องยอมรับมันให้ได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติมันดินฟ้ากแล้วเราจะไม่ถูกกับมันแล้วเราจะไม่กลัวมันเราจะอยู่อย่างสบายไม่มีตกกังวลกับเรื่องโลกภายนอกจ็ต่อไปคุณหลินครับพระอาจารย์เจ้าคะถ้าร่างกายไม่ครบสามสิบสองพิการบวชใจแทนแต่ยังทำงานทางโลกและกลับมาปฏิบัติธรรมที่บ้านแบบนี้ทำได้ไหมเจ้าคะ ได้การปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติทางใจแต่บางทีก็ต้องาาอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์ที่ไม่ว่าร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บคไายได้ปวด่วยเพราะถ้าร่างกายมีการเจ็บปวดมันก็จะทําให้การปฏิบัติลำบากว่ า, อาคอามเจ็บปวดมันก็อาจจะมาทําให้เราเสียสติเสียขาดสติขาดสมาธิได้แต่ถ้าเราถ้าเราต้องการปฏิบัติทำ น, นี้ เราก็ปฏิบัติที่สติเนี่ยที่สมาธิที่สิีนี้ไม่จําเป็นนะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ทำได้คุณวัฒนะครับถ้าชาตินี้เราตื่นแล้วแต่ยังปฏิบัติไม่ถึงระดับอริยะบุคคลแต่ตายไปก่อนชาติต่ อ, ต, อต่อไปถ้าได้มาเกิดเป็นคนอีกเราจะยังตื่นอยู่หรือต้องรอให้มีผู้มาชี้แนะแล้วเริ่มต้นใหม่อีกคะไม่ทราบคําว่าตื่นนี่มาถึงน้อยตื่นอะไร มันก็ไม่ไม่รู้จะต่ออย่างไร้องขออภัยด้วยนะครับเหมือนอาจจะหมายความถึงว่ารู้บาปรู้บุญอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์เริ่มในการรู้บาหรู้บุญเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ารู้แในระดับไหนรู้ในระดับที่เพียงแต่ความคิดหรือรู้รู้ในระดับการกระทําได้ผ่านการพิสูจน์จากการกระทําหรือยังที่เราพร้อมที่จะตายมากกว่าการทําบาปได้หรือเปล่า เมื่อเราต้องเลือกระหว่างความตายกับการทําบาปนี่เราจะเลือกอย่างไรถ้าเราเลือกว่าเรายอมตายเราไม่ยอมทําบาปแตวเด็ดขาดถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่อ ง, องที่มันทังอยู่ในใจของเราเนีมันไม่รืมนะแต่ถ้ามันเพีงแต่ความคิดว่าเออเรารู้บารู้บุญเราจะไม่ทําบาปเราจะทำบุญอันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์จากการกระทำต้องมีการพิสูจน์จากการกระทาก่อนมันถึงจะรู้แน่ชัดว่า จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือไม่คุณแพทครับการที่เราบังคับให้ตัวเองไม่ให้คิดหรือวางเฉยเวลาคนอื่นทำไม่ดีกับเราจะทำให้เราเป็นคนเก็บกดไหมคะอยู่ต่างประเทศฝังฝรั่งระบายอารมณ์กันเต็มที่ต่อกันเขาว่าเราเก็บไว้ไม่ดีให้ระเบิดออกมาดีกว่าครับก็อยู่ที่เราเก็บยังไงถ้าเราเก็บเรามีความสุขก็เป็นวิธีที่ดีถ้าเราไม่อบคะ่ะเราก็จะเฉย้เราก็จะแฮปปี้ ถึงแม้เขาก็จะทําอะไรที่เสียหายแล้วก็ไม่โกรธเขาอันนี้ก็เป็นการเก็บกดที่ดีถ้าเป็นการเก็บกดแบบที่ฝืนฝืนความโกรธฝืนความแค้นนี่มันก็ไม่ดีเพราะมันก็เป็นการความมันไม่ใช่เป็นวิธีเก็บกดที่ถูกต้องถ้าการประบายความโกรธมันก็ไม่ดีเหมือนกันการระบายความโกรธนี่ยมันก็จะทําให้คราวหน้ามันก็จะโกรธแรงขึ้น ไม่ได้ตอบถนองความโกรธทาตามความโกรธเอาต่อไปความโกรธมันก็จะแรงขึ้นหรือเท่าเดิมมันจะไม่หายไปไม่ไง่ายๆมันจะโกรธน่าจะโกรธมากขึ้นวิธีที่จะทําให้ความโกรธหายไปต้องใช้หลักของเมตตาคือการไม่จองวียจอบกับหรื อ, อหลักของสติใช้กรรมบริกรรมพุโทโธพุโทโธจะกระนั้งเดืมอเรื่องที่ทําให้เราโกรธไปความโกรธก็หายไป นี่จะใช้เรื่องปัญญาก็พิจารณาว่าความโกรธนี้เกิดจากความอยากของเราเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความโกรธใหม่ก็คือต่อไปเราอย่าไปอยากได้อะไรจากใครยินดีตามนีตามเกิดแล้วต่อไปเราจะไม่โกรธใคร ม, มีหลายวิธีแก้แก้ความโกรธแต่ไม่ได้ระบายด้วยจาก อย่ทีแบบ่ชาวต่างประเทศก็ทํากันไปทุบทําลายหม้อข้าวหม้อแกงทําลายข้าว ข, ของอะไรต่างนี้มันไม่ได้เป็นการแก้กปัญหาความโกรธไม่หายไปเยิ่งความโกรธก็กลับมาใหม่และอาจจะแรงกเก่าด้วยคุณสมพรครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของเราเก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าเราสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองครับอาจารย์เราก็จะรู้ว่าใจเราเย็นขึ้น มีความมากขึ้นว่ามีความโลภความกรธน้อยลงในทานองนี้คุณปรัชญาครับในการเรียนและทำข้อสอบทางโลกเราทําได้คะแนนไม่เต็มร้อยแต่ก็มีสิทธิสอบผ่านได้แต่ในทางธรรมการทําข้อสอบให้ผ่านขั้นสุดท้ายต้องชารัะกิเลสให้หมดเกลี้ยงไม่ให้เหลือเลยใช่ไหมครับใช่กิเลสทั้งหมดจะเล่าหมดไปกิเลสในรูปแบบของสัมยชน์ติ ไปกิเลยเราชำระสมองามยอดสิบให้หมดไปให้ได้คุณวัชราครับเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายเป็นอย่างไรครับก็เห็นจิตเห็นกายว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกคั้งอล้าแต่ คุไลฟ์สไตล์ครับการเรียนถามพระอาจารย์ถ้าทําบุญวันธรรมดากับวันสําคัญในพระพุทธศาสนาจะได้บุญเหมือนกันไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าวันสําคัญในพระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้าลงมาโปรดค่ะเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ทําอยู่ที่การกระทําของเราทํามากทําน้อยทําทําบุญมากไม่ว่าจะวันไหนก็มากกว่าการทำบุญน้อยไมันด้อยู่ที่วันสําคัญในพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพุทธศาสนานี่เป็นวันที่เป็นอุบายเป็นเหตุที่ให้เรามาทํำบุญกันเพราะปกติถ้าไม่มีวันสําคัญเราจะไม่ทํากันเขาเลยต้องหาวันสําคัญมาเป็นอุบายลอบใจเราให้เรามาทํากันเช่นวันเกิดมันคราลอบแต่งงานอมันอะไรต่างๆวันขึ้นปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่คิดทําบุญกันหรทั้งหลาให้วันขึ้นปีใหม่ก่แล้วค่อยไปทำ เรื่วันคลบรอกวันตายของพ่อขอ ง, ของแม่เนื่องอะไรสุดแท้แต่ไปบุญที่ทํามันเท่ากันไม่ว่าจะทําวันไหนด้วยเหตุอะไรจะมากหรือน้อยอ ย, อยู่ที่ทํามากหรือทําน้อยเท่านั้นคุณกนกศักดิ์ครับกราบเรียนถามครับเวลาไปทําบุญที่วัดผมมักจะถูกญาติพี่น้องภรรยาไล่ขึ้นส า, าลารับบุญบ่อยๆแต่ผมไม่ชอบเข้าไปเพราะเห็นคนเยอะแต่ใจผมนั้นน้อมถวายในทานนั้นอยู่เพียงแต่ไม่เข้าไปในสาลาแบบนี้ได้บุญไหมครับ ได้บุญเกิดจากการเสียสละของเราถ้าเราเสียสละไปแล้วมันแสดงว่าเราได้บุญนะถุนจะไปในศาลาแล้วไม่ไปศาลานี้มันไม่ไม่ไม่ไม่ถุนที่ให้เป็นในศาลาจะเพราะว่ามีการสแสดงทําหรือเปล่าอยากใช้เราฟังทำด้วยเพราะการฟังทำนี้ทํานี่ได้บุญมากกว่าการทําทานบุญที่ได้จากการฟังทำนี่มันสูงกว่า บ, บุญที่ได้จากการทำทานก็าาจะอยากให้เราทําได้หลายๆบุญมนะั้ง ทำทานแล้วก็อยากจะให้ไปรับศีลด้วยครับซึ่งบนบนชาลามก็จะมีการขอสมาทานศีนกันซึ่งเรายังอาจจะไม่พร้อมที่จะรักษาศีนแล้วก็เลยไม่อยากจะขึ้นไปศาลาก็ได้เพากลัวจะไปโกหกพระไปรับศีนจากพระแล้วแต่ไม่รักษาไงก็เราไม่อยากจะขึ้นไปไม่อยากจะฟังธรรมก็ได้ยังยังไม่อยากจะทําความดีมากกว่าการทําทานเถ้าเราไปฟังธรรมนะพระจะสอนให้เราปฏิบัติธรรมนะให้เรา ถือศีลแปดนะอะไรทำลองนี้ให้เรานั่งสมาธิเราอาจะไม่พร้อมที่จะทําทบุญเหล่านี้ก็ได้เราถึงไม่อยากจะขึ้นไปเราก็ได้ได้บุญจากแค่ระดับทานที่เราทำเท่านี้แล้วไม่ได้มากไปก่อ น, นั้นคุณสมพร้อมครับคนที่ตายเพราะเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามเช่นถูกรถชนตายตกน้ําตายการตายเช่นนี้เป็นเพราะเขามีบาปอยู่ใช่ไหมคะจึงเกิดเรื่องแบบนี้แกเขา ก็ไม่ใช่หรอกความตายเป็นเรื่องธรรมดาคนมีบุญก็ตายคนไม่มีบุญก็ตายพระพุทธเจ้าก็ตายพระอาจานย์ก็ตายเราจะตายแบบไห น, นก็ตามตายได้ทุกรูปแบบมันเป็นเรื่องของปกติของร่างกายเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายมันตายได้กันหดไม่ใช่เป็นเพราะเป็นบุญหรือเป็นบาต ท, ที่เรามีอยู่บุญที่มีบุญเนือบาต ท, ที่มีอยู่เป็นตัวที่จะชี้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อท่านเอง คุณสกมกมลครับถ้าคนที่ทําแท้งเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพได้หรือให้เด็กเกิดมาแต่ดูแลไม่ดีเกิดปัญหาสังคมอย่างไหนบาปกว่ากันเจ้าคะออการทำแท้งนี่มันบา ป, ป่ปแล้วการฆ่ามันบาปไปการที่เราเลี้ยงเด็กไม่ดีเมื่อเราเลี้ยงไม่ดีเราก็ให้คนอื่นที่ก็เลี้ยงดีให้ยกให้เข้าไปก็ได้มีคนใจบุญอ ย, ยากจะลา อ, อุปทานคนที่ก็ไม่มีลูกไม่อยากจะมีลูกก็มีเยอะแยะไป การอ้างเหตุผลว่าเราเลี้ยงดูเขาไม่ดีก็เลยฆ่าเขาเนี่ยเป็นข้ออ้างสีงมากกว่าเป็นการผักภาระของตัวเองไปไ ม, ไม่ยอมรับภาระจากการที่เรามีลูกไม่อยากจะเลี้ยงลูกอ้างว่าเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ดีเพาะอยากจะอาเงินไปใช้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มมากกว่าหรือว่าถ้าเป็นจริงๆก็ยกให้คหนอื่นก็ได้มีกองใจบุญมีสถานที่รับ รับเด็กกำพราไว้เพื่อให้ให้คนอื่นที่เขาอยากจะไม่ลูกมารับไปเรียงเป็นบุตรธรรมก็มีไม่จําเป็นจะต้องฆ่าไม่นองไปทําแท้งคุณนริ ม, มนครับหนูเพิ่งได้ทํางานแต่แพ้น้ํามันกับสนิมเป็นผื่นปวดแสบปวดปวดแสบมากแต่ถ้าไปทํางานต่อต้องเป็นผื่นปวดแสบไม่หายแต่ถ้าออกจากงานก็มีวิตก ต่างๆควรใช้ปัญญาคิดอย่างไรเจ้าคะก็ต้องเลือกจะเอาอย่างไงล่ะจะเอาความทุกข์ทางใจหรือจะเอาความทุกข์ทางกายมันก็มัเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเลือกหรืออาจจะทนไปก่อนแล้วพยายามไปหางานใหม่ที่จะไม่มีผลกตะทบทางร่างกายหรอกตอนนี้ถ้ายังจำเป็นจะต้องทําอยู่ไม่ทําไม่ได้ก็ต้องทนทําไปก่อนแต่ถ้าเราคิดว่าอเราไม่ทําก็ได้เรา เราอยู่แบบประหยัดก็แล้วกันเราอยู่แบบมักน้อยสันโดดแล้วค่อยไปหางานใหม่ถ้ารอย่างนี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือก็ไม่ไม่ร่างกายก็จะไม่ไม่ไม่เป็นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกผลกระทบจากการทํางานใจเราก็จะไม่มีวิตกเพราะเราเราอย่างสามารถอยู่ได้ถ้าเราอยู่แบบมักน้อยสัน้นโดดแล้วก็ไปหางานใหม่ นี่ยอาจจะเป็นโอกาสให้เราได้หันมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็ได้นะช่วงนี้ว่าไม่มีงานทําก็เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าได้ผลดีก็อาจจะไม่อยากจะไปทำงานแล้วก็ได้อาจจะามาทํางาน ท, ทางธรรมะแทนก็ได้คุณแต้มสีครับเคยนั่งสมาธิจนตัวลอยสูงนานสักพักจนมีอาการปิติซาบซ่านหายไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองลอยตัวเบาอยู่ในภาวะนี้นานและจึงออกจากฌาน ดิฉันรู้ว่าตัวเองอยู่ในชั้นสองแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นไปถึงชั้นสามชั้นสี่หรือยังพระอาจารย์บอกได้ไหมครับไม่ได้ระไม่ต้องไปสนใจนะให้รู้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันให้รู้วสมาธิแบบตัวลอยซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดถ้ามีสติดีๆมันควรจะจิตจะสงบนิ่งอยู่เฉยๆมากกว่าและการตัวลอยนี้ก็ไม่รู้ว่าลอยจริงหรือเป็นความรู้สึกก็มีเรื่องราวที่ พูดกันในวงการภาคปฏิบัติคือพระ อ, อาจารย์เสาวนี่ยเป็นพระ อ, อาจารย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีท่านก็บอวว่าทุกเวลาท่านนั่งสมาธิตัวท่านลอยตอาต้นท่านก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกหลอว่าท่านหรือเปล่าทีนี้ท่านก็เลยใช้อุบายเวลาท่านนั่งสมาธิท่านยาใบไม้ไว้ในมือท่านใบเนี่งและเวลานั่งในลังคาสกุติของท่านทนี่มันเป็นแบบ ม, มุมมุมได้ ย, ยากด้วย อันมีช่องที่จะเสียบใบไม้นะท่านบอกว่าเวลาท่านคิดว่าท่านลอยขึ้นไปมันจิตไม่หลอนหรอกท่านไมนลอยพอลอยขึ้นไปท่านจะเอาใบไม้ที่ในกำมือท่านเนี่ยไปเสียบไว้บนบนหลังคาแล้วพอท่านกลับลงมาจากสมาธิออกมาจากสมาธิท่านก็จะไปดูที่ที่ท่านเสียบว่ามีใบไม้หรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าจิตไม่ได้หลอกท่านท่านลอยขึ้นไปจริงๆอันนี้คุณก็ต้องพิสูจน์ดูว่าคุณลอยจริงหรือเปล่า เรื่อเปความาหลอกล่อของจิตใจจิตมันหลอกก็ได้ครัเวลาดั่งสมาธิมีการอะไรแปลกๆต่างๆมากมายซึ่งไม่ควรจะเกิดถ้าเรามีสติที่ดีนะถ้าเรามีสติพุโทโธพุโทโธที่ดีนี่มันจะไม่มันไม่มันจะไม่ไปเกิดอาการปาก ain, แปลกๆต่างๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเพิกสติบางบางทีบ่อยให้จิตบุกแตกขึ้นมาแล้วหลอกล่หรือ่าอาจจะมีพลังจิตจริงๆย่มให้ใจเราว่ายวร่างกายลอยขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธ อาจจะเป็นอพญญาอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะอยู่ในอุปจารสมาธิก็ได้ครับแล้วพรอาจารย์ท่าน ม, สสนมาเสาปไรครับฮะแล้วทอยู่ในบวงหองปูบ้นออเคยเล่าให้ฟังนงปูสามท่านเคยนั่งอนตัวร้อนท่านก็ไม่แน่ใจาว่าจินรอนจีนหลอนท่านไม่้ท่านก็เลยเนั่ดนแล้วเพราะว่าจะร้อนตัวท่านก็เอาไม้เกียผน ก atte atte in ับกับรองขาท่านเอื่อมยขึ้นไปเสียบกับใบไมได้กับรางขาได้แล้วพอถ้าอ่านเอกสารที่มาท่านก็มองขึ้นไปว่ามีใบไม้เสียบแล้วท่านก็เห็นว่ามีสอกสารไม่เลยหรอกท่านมีกาฟไมเสียบเลยแต่ตอนที่ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ท่านไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเป็นความหลอกจิตต้องที่มาหลอกเาได้นะครันสร้างภาพขึ้นมาหลอกเราที่ว่าเรากำลังรอขึ้นไปอย่จริง เรือ่องนี้คนชอบนะครับคุณวัชราครับพระอาจารย์ครับการถือสัจจะด้วยการหยุดเล่าเด็กขาดมั่นใจว่าหยุดได้ตลอดชีวิตอย่างนี้ถือว่าเราชนะตัวเองระดับไหนครับยังเนากท่านลือเวลาเป็นคำพูดที่บอกว่าระยะทางเป็นแค่พิสุจน์มาเวลาเป็นแค่พิสุจ์คนในคนส่วนใหญ่มักจะตั้งสัจจะตอนขึ้นปีใหม่นะ ปีไม่ทำอย่างนู้นจะไม่ทำอย่างนี้จะทำนี้จะทำนี้พอถึงเดือนกุมภาได้หายไปไหนหมดแล้วเนาะเดือบเดือบลมหมดเลยแจ้งลืมไปลืมไปเลยลืมไปเลยว่าได้ตั้งสัจจะแล้วแม่วันนี้น้องดูดูเวลาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเป็นเครื่องพิสูจน์สัจจะของเราต้องดูเวลาว่าเราจะยืดมั่นกันในสัจจะที่เราตั้งไว้ได้นานสักเท่าไหร่ เราว่าตลอดชีวิตเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ถึงตลอดชีวิตเลยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะตลอดชีวิตหรือไม่ต้องดูไปเรื่อยๆครับคุณวีนาครับกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าผู้ที่ห่มผ้าเหลืองอยู่ในศีลจะได้ปานิพานเสมอไหมคะไม่หรอกผ้าเหลืองไม่ใช่เป็นตัวที่พานคนห่มไปนิพานคนสิ่งที่จะพานคนไปป น, นิพานคือมากแปดศีลสมาธิปัญญา อ๋อถ้าผ่านหลืองผ่านคนไปนี่ผ่านได้เจ็ดขายผ้าเหลืองนี่ไปที่พายกันหมดแล้วคนขายว่าเหลนี่ผ้าเหลืองเต็มบ้านเต็มร้านเลยคุณนาวินต้าครับมีพี่ที่รู้จักเขาชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ยังติดดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันแบบนี้จะเป็นเช่นไรคะก็เป็นเช่นไรก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คงจะไม่ค่อยได้ผลท่านึ่มดื่มชัวร์แล้วไปนั่งสมาธิ เพราไม่มีสติมันจะไปทําจิตให้สงบได้ไหมคุณแชทครับเมื่อแสดงความคิดเห็นหรือพูดในมุมมองความคิดของเราแม่มองว่าหนูเถียงตลอดไม่พูดออกไปก็อึด อ, อัดใจต้องทําอย่างไรดีคะก็อย่าพูดเลยการพูดก็เป็นการเถียงว่าคิดว่าเรากำลังฟังพระเทศกันละครับมองพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกๆเวลาพ่อแม่พูดก็เหมัอนกำลังฟังเทศจากพระอรหรันต์ ท่านจะพูดอะไรจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราเราก็ฟังไปแล้วภาษาถูกไปก็จบไไนะับนี่ส่วนเราจะทําตามได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องเถียงก็ได้คุณเจนนี่ครับเวลาเดินทางต่า ง, างประเทศลูกค้าจะเลี้ยงข้าวค่ะแต่มักจะสั่งปูปลาแบบเป็นๆมาทําอาหารซึ่งเราไม่ได้เลือกว่าอยากจะทานอะไรหากเราทานกับข้าวจานนั้นด้วยเราจะมีส่วนในบาปนี้หรือไม่คะ ไม่มีรากถาเราไม่ไดพูดข้องาางาวกันวันนี้อยากจะกินปูแล้กินปลาอะไรทำนอะงนคือเป็นเรื่องของทีเจ้าภาพขเขาเขาอยากจะจัดอะไรมาเนี้ยเขเรียกของเขาคุณไมเมครับมีคําถามจากเพื่อนท่านหนึ่งถามมาขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะเงินที่ไม่ได้มาจากสามมาอาชีวะเช่นเงินที่ได้มาจากการขายของเถื่อนเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเงินที่ได้มาจากการปล้นจี้จากการพนัน เจ้าของแบ่งเงินที่กล่าวมาข้างต้นไปทําบุญอย่างสม่ําเสมออานิสงของการทําบุญด้วยเงินเหล่านี้จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมเจ้าคะก็ได้เต็มเท่ากับบุญที่ได้มาจากการสุจริตเพียงแต่ว่ามันไม่ไปลบล้างบาปที่ได้ทําไว้เท่านี้มันไปคนละบัญชีกันบัญชีบุญก็บัญชีบุญบัญชีบาปก็บัญชีบาปคุณวรกรครับเอาไม้สอยผลไม้บนต้นไม้แล้วดึงกิ่งไม้หักลงมา เรามองไม่เห็นรังนกบนต้นไม้มันมีลูกนกตกลงมาไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้บาปมากไหมครับถ้าไม่มีความตั้งใจก็ไม่บาปเือว่าเป็นอุบัติเหตุไปถ้าเราช่วยลูกนกท่า น, นได้ก็ควรจะช่วยเราจะได้ความเมตตาคุณชมชนกครับโอนเงินร่วมบุญออนไลน์เสมือนใส่บาตรด้วยอาหารใหม่เจ้าคะ่ะทุกวันเหมือนทําบุญก็โอนออนไลน์ก็ได้ใส่บาตรก็ได้เหมือนกัน คือบุญที่เกิดมันเกิดจากการเสียสละเงินทองของเราไม่ว่าจะไปเสียแบบไห น, นมันก็ได้ได้ผลเท่ากันคุณแซนดี้ครับการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดมีส่วนให้การภาวนาก้าวหน้าได้เร็ ว, ร ว, ร ว, ก, วกว่าการปฏิบัติธรรมที่บ้านใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่ว่าานี่มันเป็นวัดที่สบายๆคือเพื่อเฟื้อต่อการ ป, ปฏิบัติไม่ได้ ถ้าไปอยู่วัดที่ไม่เอื้อเฟื้อมันก็บางทีอยู่บ้านจะดีกว่าถ้าเราไปอยู่วัดที่มีมหรศกมีภาพยนตร์มีงานต่างๆมีงานสมโพธอะไรไม่มีการปฏิบัติเราไปอยู่ที่อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นวัดควาความหมายของวัดที่แท้จริงนั่นเป็นวัดที่สงบสงัดสปายยะต่อการปฏิบัติธรรมอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นวัดถ้าได้ไปอย่างนั้นมันดีกว่าอยู่ที่บ้านแน่นอน เพราที่บ้านมันก็จะอาจจะไม่มันมีบรรยากาศที่ไม่สมบสนั ด, ด ว, วิเวกนะครับไปอยู่ที่วัดนั้นการโอกาสที่ได้ของจากการปฏิบัตินี้น่าจะได้มากกว่าเลื่องโอกาสจากการที่ปฏิบัติที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันหรือมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะแนวคอยชี้คอยสอนคอยห้ามคอยเตือนมันก็จะทําทให้การปฏิบัติดอนนี้ปนไปได้อย่างง่ายงายรวดเร็วที่เราปฏิบัติ ด้วยตามลำพังของเราทําบ้างผิดบ้างถูกบ้างอันนี้อาจจะทําให้เราเสียเวลาได้คุณเอกชัยครับร่างกายพิการสามารถบวชเป็นพระได้ไหมครับถ้าถ้าจะบวชเป็นพระไม่ได้แต่ถ้าจะปฏิบัติธรรมที่บ้านทําได้อยู่เพราะการบวชเป็นพระนี่ต้องพึ่งตนเองไม่มาเป็นพระละให้กับผู้มาทุกข์วมนี่ต้องพึ่งตนเองไม่ใช่มาบวชแล้วก็ให้ให้พระร่วมอื่นมาเลี้ดูเราอยู่ ทำไม่ได้ถ้าอาการไม่ครบสามในสองแ้เสื่อพอุปราชานี้จะไม่รับบุญถ้าพิ่งตนเองไม่ได้ถ้าเลี้ยงดินธบะเลี้ยชีพตนเองไม่ได้อยูแลตัวเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้ก็บวญไม่ได้คุณการชาตาครับการรำพิธี ก, การพระอาจารย์เราจะสามารถอุทิศบุญให้เทวดาหรือเจ้าที่เจ้าทางได้ไหมคะ ถ้าเป็นพวกเทวดานี่เขามีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้เขาเขาเป็นเศรษฐีบุญอยู่แล้วจะบุญที่ได้แต่เขาไม่ยินดีเขาอย่างมากเขาก็อนุโมทนาเหมือนเงนินที่เราให้ขอทานมาให้เทวดานี่ให้เศรษฐีนี้เศรษฐีก็ย่าไงวันนี้จะทบุญะให้ให้ให้ขอทานให้ลำบาวันดีเจอเศรษฐีให้คุณแทนเศรษฐีเ้า จ, จะเอาแบบเขาก็จะรับด้วยมารยาท น, นะก็ขอบคุณที่คุณมีจิตเมตตาที่จะให้เงนินเรา แต่มันไม่มีผลได้กับเขาแต่ถ้าให้กับเขาทานห้าบาทมันก็มีมันก็มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเขาคุณผลจันทร์ครับการที่เราฝันกับการนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตมันเป็นสภาวะเดียวกันไหมเพียงแต่ความฝันเราไม่สามารถควบคุมมันได้ครับถ้าความฝันนี่มันมันเกิดในช่วงที่เราไม่มีสติส่วนที่เรานั่งสมาธินี่เราจะมีสตินมันก็ต่างกัน แล้วก็มันอาจจะมีเป็นนิมิต ท, ท, ที่ที่เกิดจากอุปจารสมาธินี่มันก็มีสติครบถ้วนบริบูรณ์แต่ถ้าบางช่วงที่เรานั่งสมาธิแล้วขาดสติมันก็อาจจะมีนิมิต ท, ที่ไม่ใช่เป็นของจริงก็ได้ น, นิมิต ท, ที่เกิดจากการปรุงแต่งซึ่งข้อมูลกับความฝันแล้บางช่วงเรา n ั่งสมาธิแล้วอาจจะเจอสติได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีสติต่อเนื่องตลอดเวลา ช่วงนั้นที่เราเผลอส ต, ติช่างนั้นก็อาจจะมีนิมิที่เกิดจากความปูุแต่งของจิตนั่นกับความผ่อนได้ปรากฏขึ้นมาได้ะ ค, ะคุณอารีครับทําไมเราแผ่บุญให้คนในครอบครัวมาตลอดทําไมถึงไม่ดีขึ้นเจ้าคะเขาจะหาเรื่องเดือดร้อนให้คนในครอบครัวตลอดเจ้าคะ่ะทํำยังไงดีเจ้าคะแผ่ยังไงถึง เ, เรียกว่าแผ่บุญแผ่บุญน่องแผ่ด้วยการกระทาไม่ใช่ท่องสวดมนขอให้ทุกคนมีความสุขอาเวลาหงุดห อันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นงานแผ่ต้องเอาเงินมาแจากเขาใช่เนี่ยเป็นการกระทําแผ่บุญอย่างเงินมีเงินเท่าไหร่ก็แบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้ตํารองได้ว่าเดี๋ยวจะมีแต่คนนักเราไม่มีใครเขาเกลียดเราแต่แผ่ด้วยความคิดมันไม่ได้แผ่มันเป็นการเป็นเป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองน้ำแผ่ด้วยการกระทําเนี่ยไม่เป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราส่วนใหญ่คิดว่าการแผ่เมตตาคือการส่วนบทแผ่เมตตา นั่งสมาธิเสร็เสร็จกบสวนบุตรแผ่เมตราสัพเพสัตตาเอาเวลาหอนตุกอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่มีเวรกันเถิดอันนี้มันเป็นการท่องการสวดมันไม่ได้เป็นการแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทำเวลาใครเขาทำให้เราโกรธเราต้องให้อาภัยเา้าตอนนั้นน่ะไม่ว่าเรากำลังแผ่เมตตาคุณแผ่ครับ ขออภัยเรื่องคําว่าตื่นเมื่อกี้นะคะพระอาจารย์บอกว่าเราหมายถึงเราพบความจริงแล้วว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ไม่อยากกลับมาเกิดอีกอยากออกจากสังสารวัฏเจ้าค่ะถ้าชาตินี้ปฏิบัติยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชาติหน้าเราจะยังรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์อีกไหมเจ้าคะอาจจะลืมก็ได้เพราะบางทีเราไปเกิดบนกองสุขขึ้นมาไเป็นลูกเศรษฐีขึ้นมานะี่ยเราก็จะลืมเรื่องของการเกิดเป็นทุกข์ก็ได้เพราะเหตุการณ์รอบหน้ามันนสูงอย่างพระพุทธเจ้าในขวายา พยายามห้อมล้ความสุขให้กับเจ้าชายศิทธษฏาไม่อยากให้เจ้าชายศิทธตฏาเห็นความทุกข์เพราะมันจะไปกระตุ้นความรูอ้อนเดิมที่เคยมีอยู่ก็ได้ก็จะทําให้คิดอยากจะออกบวชกลัวจะไปบวชเพราะเพราะว่ามีการทานายว่าถ้าบวชแล้วจะเป็นพระศาสดาถ้าอยู่เป็นถ้าอยู่คลองล่างก็จะเป็นมาหาจากกักรพรรดิพระราบิดาก็ยอยากจะให้อยู่คลองล่างก็เออต้องหา สิ่งที่อ้อมล้อมเาสายสิทธะความสุขต่างๆเพื่อไม่ให้เห็นความทุกข์เพราะเห็นความทุกข์แล้วมันอาจจะไปตุ้นจิตสํานึกเดิมที่ว่าการเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ได้แต่ก็หนี้ไม่พ้นหนีออกไปเที่ยวจนได้หนีออกไปดูนอกนอกวังก็ไปเห็นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาคิดถึงตนเองเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะคิดอย่างนี้ปั้มมันก็เลยทีนี้ทำให้ไม่อยากจะอยู่ใน ในวางอีกต่อไปอยากจะไปหาวิธีกำจกัดความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายคุณบุญมากครับคนบรรลุโสดาบันเขารู้ตัวไหมครับว่าบรรลุแล้วถ้าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะว่าโสดาบันเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าเป็นโสดาบันแต่เขารู้ว่าเขามีความรู้สึกต่อร่างกายของเขาอย่างไร แกิดเขไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวแก่เ ข, เขถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรดาของร่างกายเขาไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเขาอย่างเงี้ยก็เป็นโสดาธันได้ซึ่งอาจจะมีคนในศาสนาอื่นก็ไม่มีศาสนาแต่เขาเกิดมีปัญญาที่สามารถมองทะลุเห็นสัจธรรมความจริงข้อ น, นี้ก็ได้เราจะเห็นว่าจิตกับร่างกายเป็นค น, คนๆกันเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่เกล่าววต้องแก่เจ็บตาย แต่เขาก็เจ็บผู้สั่งการไม่ได้แก่เจ็บตายเหมือนกัน่างกายเขาก็ไม่ทุกกับความแก่เจ็บตายของร่างกายก็ได้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอย่างนี้เขาก็เป็นสอนดาวันหนกันแต่เขาเป็นผู้ชื่อเท่านั้นเองถเขาเป็นคนสอนเขาจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ว่าเป็นเป็นรู่นเป็นที่ขึ้นมาเพราะมันเป็นอย่างชื่อเท่านั้นเอง คุณวัฒนาครับผมนั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งลงคล้ายตกก้นบ่อก็ทนให้ตกลงจนถึงก้นบ่อแต่นุ่มนวลมากเหมือนขนนกตกลงพื้นคือสภาวะอะไรครับคือจิตเข้าสูขข่ความสงบเลยเพราะมันตกแล้วต้องให้นั่งต่อไปดูมันมันจะนิ่งมันจะมีความสุ ข, ม, ม, ม, สขมันจะไม่อยากจะทำอะไรต่องต่ง ม, มีความสุขมากมีความเป็นอยูเ่เบกขามีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่า นไดเลยเวลาเวลาสองยิครึ่งเกินเล็กน้อยครก็ตอบคำถามไปได้สัก6 7เจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ครับอาจารย์ครับตอนนี้คนถามเยอะครับอาจารย์มีคนมาชมอยู่ใน f ฟ c e b o o ห้า8้อยี่สิบแปดคนใน y o u t u เจ็ด7้อยหกสิบเจ็ดคนในรับเฮาส์ิบหกคนครับอันนี้มีเป็นคนทั้งนั้หนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเลือกฟัง น้อมสนทนากันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้นําไปใช้กับการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปการแสดงก่อนนี้การสวดนันทําในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสงบความเจริญกา้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ ขอลาคุณมแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้โอการหน้าอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเดิมครับอาจารย์พวกนี้ผมไปกราบอาจารย์หน้ากุศลตอนนี้ยังอยู่ที่พิเศษโลกอยู่นะใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเราเดินทางแต่เช้านะครับผมอาจารย์ครับคงจะได้พบกันนะพวกนี้แลกราบอักษการครับ